เสียงงานหนังสือพุทธวิทยาอาจารย์พรรัตนสุวรรณพุทธปรัชยาภาคพิสดารคือแจกแจงโดยละเอียดหนังสือเชิงวิชาการที่อธิบายแก่นคำสอนหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจในพุทธวัจนะและพระไตรปิฎกได้ลึกซึ้งตรงทางยิ่งขึ้นโดยนำหัวข้อในหลักปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนไปตามลาดับ ด้วยภาษาและอุปมาพร้อมคำอธิบายให้เหมาะสมต่อคนในยุคที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาไปไกลมากจากครั้งพุท ธ, ธกาลเพื่อเข้าใจสัจธรรมคือกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นกฎแห่งการเกิดดับของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันจะมีผลให้เข้าใจสังสารวัฏและกฎแห่งกรรมนำไปสู่การเป็นสมาธิถีจนเข้าใจความเป็นไปของชีวิตได้อย่างแท้จริง การศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องและลึกซึ้งพอจะทำให้เข้าใจว่าชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ถ้าไม่เกิดเพราะเหตุใดบาปบุญมีจริงแค่ไหนนรกสวรรค์พระเจ้ามีจริงหรือไม่ความทุกข์ในชีวิตจะแก้ไขอย่างไรทำอย่างไรจะเอาชนะทุกข์ได้เด็ดขาด และทำให้เข้าใจถึงความผิดพลาดหรือบกพร่องของปรัชญาต่างๆได้ง่ายอย่างไรหนังสือพุทธวิทยาเป็นหนังสือที่มีเนื้อหายาวมากถึงสิบสามตอนแต่ละตอนเทียบได้กับหนังสือหนึ่งเล่มเป็นหนังสือที่แนะนำห้ชาวพุทธทุกคนควรได้ฟังให้จบสักครั้งในชีวิตและควรฟังไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนได้จริงนะครับสาหรับตอนที่หนึ่งนี้ จะอธิบายที่มาและเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาเป็นเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทซึ่งต้องรู้ก่อนและจำเป็นมากที่ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจการเข้าใจทำได้จริงต้องเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้ถูกต้องเท่านั้นที่อธิบายความสืบต่อแห่งภพชาติสังสารวัฏบาปบุญไว้ครบถ้วนแล้วในกฎนี้ที่แม้ไม่ได้ตาทิพก็พอจะเข้าใจตามได้ไม่ยากอย่างไร เชิญพิสูจน์ได้จากคําอธิบายของอาจารย์พรรัตนสุวรรณที่ทั้งชีวิตท่านเน้นความเข้าใจเรื่องนี้โดยตรงผ่านเทคนิคในการสอนที่เป็นแนวทางพิเศษของท่านซึ่งทุกอย่างมีพุทธพจน์รองรับทั้งสิน้นอย่าลืมนะครับว่าคําสอนของพระพุทธองค์ที่เจ้เลือกไว้ในพระไตรปิฎกมักจะเป็นการสอนคนที่บารมีพร้อมบรรลุแล้วทั้งนั้นพูดไม่กี่คําก็เข้าใจจึงไม่จําเป็นต้องขยายความหรืออธิบายลงลึกมากนัก ในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญความเชื่อเดิมยังฝังแน่นการอุปมาหรือยกตัวอย่างก็ต้องให้เหมาะสมกับคนโบราณแต่พอมาถึงยุคนี้อาจทำให้คนฟังแล้วคานหรือกลายเป็นดูหมินคำสอนพระศ า, ศาสดาได้ตัวอย่างคำสอนที่ว่าจิตแผ่ไปได้เหมือนแสงอาทิตย์ซึ่งความจริงยังไม่ตรงแต่จะให้ตรัสกับคนยุคนั้นอย่างไรถ้าบอกว่าแผ่ไปได้เหมือนคลื่นวิทยุ คนยุคนั้นจะเข้าใจได้หรือไม่ซึ่งหลายอย่างเราสามารถหาอุปมาที่เหมาะสมให้คนในยุค ป, ปัจจุบันเข้าใจได้ง่ายกว่ามากเป็นต้นนะครับหัวข้อที่สาคัญภายในปฏิจจสมุปบาทคืออะไรสำคัญอย่างไรถ้ามีรู้เรื่องนี้จะพ้นะบายไม่ได้จะไม่มีทางเข้าใจชีวิตและธรรมะได้ถูกต้องรู้แล้วจะเข้าใจชีวิตทั่วจักรวาล รู้แล้วก็ไม่ควรประมาทอย่างไรจะเรียนวิธีไหนจึงจะเข้าใจง่ายและคนทั่วไปควรศึกษาหัวข้อไหนก่อนเสียงงานโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัฒนพภัยสารเตชาวลีกุลทิพวันเลิศกิจรุ่งเรือง เจ้าภาพรองวรนุษย์ใหญ่ยิ่งอัศวินอารัตเทียน ง, งามรัชนีวิเศษสาธรชูเจริญวง์กรกรูอภิวัฒนาเสวีสุดาพรตงศิรินิชามาโสภาเฮียงแซจูปัญญาโกจันร่วมกับอีกหลายท่านฟันฟงได้จากทายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพะทานังธรร ม, มทานังชินาติการให้ธรร ม, มชนะการให้ทั้งปวง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 วิญญาณในพุทธศาสนาธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตขันห้าการเกิดการดับการสื่อต่อของวิญญาณปรัชญาเรื่องวิญญาณของมหายานสูตรเว้หลังชาติหน้าทฤษฎีเรื่องการระลึกชาติมิจฉาทิฏฐิอันตะคาหิกาทิฏฐิปัญหาที่ไม่มีใครคิดบรรดาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา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 ควรจะพลิกดูทุกๆหน้าที่ตัวเลขบอกไว้และควรอ่านข้อความในหน้าที่ใกล้เคียงกันด้วยคำนำในการพิมพ์ครั้งที่สองหนังสือพุทธวิทยานี้ได้มีอิทธิพลต่อ น, นักศึกษาที่สนใจอ่านไม่น้อยและเป็นต้นฉบับของหนังสือทุกเล่มที่ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นมาในระยะหลัง ตลอดถึงการสอนและการปฏิกถราในที่ต่างๆก็ได้อาศัยความรู้ที่ค้นคว้าและได้รวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ที่เคลื่อนที่เข้าสู่วงการศึกษาอย่างเชื่้าช้าแต่ก็มีความมั่นคงก็เพราะเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจยากผู้ที่สนใจจริงๆเท่านั้นจึงจะอ่านรู้เรื่องและเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้อย่างสูงและอีกประการหนึ่ง แนวความคิดหรือทฤษฎีต่างๆที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้มีหลายอย่างซึ่งผิดจากความเข้าใจของนักศึกษาทั่วไปเป็นการเสนอแนวความคิดที่ล้ำยุคเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่หนังสือประเภทนี้กว่านักศึกษาทั่วไปจะสนใจขึ้นมาอย่างกว้างขวางจึงต้องใช้เวลานานหนังสือประเภทนี้บางเล่มต้องใช้เวลาถึงเกือบร้อยปีหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้น กว่านักศึกษาทั้งหลายจะมองเห็นคุณค่าและสนใจกันอย่างแพร่หลายข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือไม่ตายและกล้าที่จะพยากรณ์อีกว่าต่อไปอนาคตหนังสือเล่มนี้จะได้รับการแปลเป็นภาษา ต, ต่างๆและจะแพร่หลายไปทั่วโลกการที่ข้าพเจ้ากล้าทำนายเช่นนี้ก็เพราะนับจําเดิมตั้งแต่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้สาเร็จเป็นเล่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ข้าพเจ้าก็ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีแนวความคิดหรือทฤษฎีอะไรมาหาักล้างยิ่งนานวันก็ยิ่งมองเห็นความจริงตามที่ได้เขียนเอาไว้และที่สำคัญที่สุดก็คือเดี๋ยวนี้ยิ่งมองเห็นได้ชัดถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดแก่โลกในเมื่อแนวความคิดอันนี้ได้แพร่หลายไปทั่วแล้วอันที่จริงหนังสือเล่มนี้ อ่านเข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นมาพอเท่านั้นแต่สำหรับคนที่มีพื้นความรู้และมีภูมิธรรมพอที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้รู้เรื่องทุกคนต่างก็มองเห็นประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงโดยเฉพาะก็คือเป็นแนวความคิดที่จะเชื่อมโยงให้ศาสนาต่างๆมารวมกันได้และจะทําให้คนเรามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โลกกาลังต้องการอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมาก หมายเหตุผู้อ่านคำว่ารรวมกันได้ในที่นี้คงไม่ใช่ยุบศาสนาอื่นมารวมกันแต่หมายถึงอยู่ร่วมกันได้เพราะเข้าใจสัจธรรมตรงกันว่าตายแล้วไม่สูญทำดีต้องได้ดีอย่างไรทำชั่วได้ผลอย่างไรเป็นการเข้าใจกฎแห่งกรรมในด้านของวิบากกรรมในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ข้าพเจ้าได้รักษาต้นฉบับเดิมไว้ทุกอย่าง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงและแก้ไขอะไรแม้แต่เล็กน้อยทั้งๆ ท, ท, ที่มองเห็นว่าควรจะเพิ่มเติมข้อความอะไรบางอย่างลงไปอีกเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นแต่ที่ข้าพเจ้าไม่ทําก็เพราะต้องการจะให้นักศึกษาทั้งหลายได้เห็นแนวความคิดของข้าพเจ้าเมื่อสมัยสิบกว่าปีมาแล้วซึ่งผู้อ่านหนังสือของข้าพเจ้าที่เขียนในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแนวความคิดส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แม้จะเป็นเวลาล่วงเลยมาถึง10บกว่าปีในหนังสือเล่มนี้มีข้อความอยู่ตอนเดียวที่พูดในลักษณะของการคาดคะเนคือการอธิบายเรื่องชาติหน้าแต่มาในปัจจุบันการอธิบายเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องอาศัยการคาดคะเนแต่ได้อาศัยข้อเท็จจริงซึ่งทําให้เรื่องนี้เข้าใจง่ายขึ้นมากและสามารถทดสอบได้ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอใอ่านจากหนังสือสู่แสงสว่าง ซึ่งเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องชาติหน้าได้ดีที่สุดคือเป็นการชี้ให้เห็นโดยกระจ่างว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะไปเกิดใหม่ได้อย่างไรไปในลักษณะไหนชีวิตนี้สืบต่อไปชาติหน้าอย่างไรวิญญาณสืบต่อไปได้อย่างไรผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ในเมื่อเข้าใจก็จะเข้าใจเรื่องชาติหน้าอย่างชาัดเจนจะไม่มีปัญหาอะไรที่สงสัยเหลืออยู่อีก และการที่ข้าพเจ้าสามารถทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจง่ายก็เพราะข้าพเจ้ามีแนวความคิดดังที่ได้บรรยายไว้ในหนังสือพุทธวิทยามานานแล้วตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ที่ยังต้องอาศัยการคาดคะเนก็เพราะในขณะนั้นยังไม่มีข้อเท็จจริงมาพิสูจน์แต่ในปัจจุบันข้าพเจ้ามีข้อเท็จจริงที่สามารถจะทดสอบหรือพิสูจน์ได้มากมายเพราะฉะนั้น จึงสามารถทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเมื่อก่อนเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะเป็นนักปราชช์ชั้นไหนก็เข้าใจเรื่องนี้ยากข้าพเจ้าเคยพยากรณ์มานานเกือบ20ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยยังสอนเด็กนักเรียนและประชาชนอยู่ในเชียงใหม่ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระอยู่คือได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปคนทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องชาติหน้าและยอมรับความจริงกันโดยทั่วไป ง่ายยิ่งกว่าโลกนี้กลมหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งความจริงในเรื่องนี้ก็ได้เริ่มประจักษ์ให้เห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วในที่นี้ท่านหมายถึงคนที่ศึกษาจริงจังนะครับว่าสมัยก่อนคนศึกษาธรรมนั้นถ้าไม่มีสัมผัสพิเศษเห็นโอปปาติกะก็ยากจะเชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริงแต่ถ้าได้อ่านหนังสือของอาจารย์พรแม้จะไม่เห็นด้วยตา แต่ก็มีเหตุผลเทียบเคียงได้ว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีจริงอย่างไรและเชื่อแบบเข้าใจตรงกับกฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อว่ามีจริงแบบงมงายหรือเชื่อตางๆกันมาหรือเชื่อว่าไม่มีจริงโดยคิดไปเองไม่เคยมาลองพิสูจน์ศึกษาอย่างแท้จริงแบบที่มักเป็นกันอยู่และพอเห็นได้ทั่วไปนะครับคืองมงายทั้งฝ่ายเชื่อและไม่เชื่อว่ามีจริงเป็นแค่ขั้นความเชื่อเท่านั้น ไม่ใช่ความรู้จริงหนังสือเล่มนี้จะมีความวิเศษหรือคุณค่าอย่างไรขอให้ท่า น, นักศึกษาจงพิจารณาเอาเองข้าพเจ้าจะไม่ขอถอมตัวเกี่ยวกับการเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะยินดีที่จะได้รับคำยเยาะเย้ยจากผู้ที่เห็นว่าข้าพเจ้าเพอ้อฝันหรือสำคัญตัวว่ายิ่งใหญ่เพราะความเป็นจริงพุทธศาสนาเปรียบเหมือนมหาสมุทร ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ลึกซึ้งสุ ข, ขุมเกินกว่าที่ใครๆจะพรันานาได้ถูกต้องข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่ตัวที่เล็กๆที่ลองอย่างลงไปในมหาสมุทรแห่งนี้เมื่อได้ทราบอะไรก็นำมาเล่าให้ฟังเท่าที่สติปัญญาจะพึงอำนวยให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าจะมีใครซึ่งมีสติปัญญาลึกซึ้งยิ่งกว่าข้าพเจ้าได้ย่างลงไปสารวจในมหาสมุทรแห่งนี้ เขาจะต้องพนานาถึงความวิเศษความมหัศจรรย์ได้ดียิ่งกว่าข้าพเจ้าหลายเท่าซึ่งข้าพเจ้าก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งคนที่กล่าวถึงนี้จะต้องมีพรรัตนาสุวรรณธันวาคมพุทธศักราช2514คำนำ ในการพิมพ์ครั้งแรกทุกๆ ท, ท่านย่อมใฝ่ฝันและปรารถนาในอันที่จะได้ประสบพบเห็นวิมานทองของชีวิตสิ่งอันใดเท่าที่สติปัญญาของเรามีอยู่เราย่อมทุ่มเทความคิดนั้นๆเพื่อสร้างวิมานทองดังกล่าวแล้วโดยเสมอมามีอยู่บ้างหรอกที่บางชีวิตได้ประสบวิมานทองของชีวิตได้จริงดังที่คาดหวังไว้แล้วเราก็มักกล่าวกันว่า เป็นเรื่องของบุคเพหรือเป็นเรื่องของวาสนาข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธในเรื่องเช่นนั้นท่านคงจะได้คิดเหมือนกับข้าพเจ้าบ้างว่าหล า, หลายชีวิตต้องประสบกับชะตากรรมวิมานทลายและเมื่อวิมานทลายบ่อยๆเข้าปัญหาสลับซับซ้อนของชีวิตก็ยิ่งเป็นมุมมืดที่คลายปมไม่ออกความขับแค้นมืดมนของชีวิตก็เป็นปัญหาตามติดเข้ามา เมื่อชีวิตอยู่ในลักษณะนจนมุมก็ไม่ต่างกับจนตรอกปราทีนี้อะไรก็ได้เรื่องเหตุผลไม่ต้องพูดกันเราทั้งหลายต่างก็เป็นศาสนะคือเป็นคนมีศาสนาทุกๆศาสนาคำสอนในศาสนาล้วนสอนให้ศาสนะนั้นๆเป็นผู้มีเหตุมีผลไม่ได้สอนให้เป็นผู้ไร้เหตุไรผลเลย ยิงพระพุทธศาสนาด้วยแล้วเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งถือเป็นโลหิตเส้นใหญ่เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นเทียวขณะเดียวกันก็ปฏิเสธเรื่องงมงายไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิงจะพึงสังเกตว่าแม้แต่จะศรัทธาเชื่อตามพระองค์โดยมิได้ใช้ปัญญาของตนเองแล้วพระองค์ก็ทรงห้ามและไม่ยินดีที่ศาสนิกะของพระองค์มักง่ายเช่นนั้น ศา ส, สนาแทบทุกศาสนามักมีสิ่งแทรกเจือปนเช่นเดียวกับผลไม้ย่อมมีทั้งเปลือกเนื้อมเมล็ดผู้ปรารถนาบริโภคหากรู้ไม่เท่าทันก็อาจบริโภคทั้งเปลือกเนื้อมเมล็ดเสร็จพร้อมไปเลยประโยชน์และโอชะจะเกิดขึ้นได้เป็นประการใดที่ส้ำร้ายบางท่านแทะเพียงเปลือกก็คงพบแต่รถฝาดเปรี้ยวเฝื่อนที่ติดในรถของเปลือก ก็บริโภคเปลือกเรื่อยไปไม่อาจรู้ได้ว่าผลไม้นั้นจะให้ประโยชน์อันใดแก่ร่างกายถึงกับโยนทิ้งไปเสียก็ามากศา ส, สนิกะก็เช่นกันถ้ารู้ไม่เท่าทันก็จักได้แต่เปลือกของศาสนาและก็คงติดอยู่แค่เปลือกเท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ศา ส, สนาจักอำนวยประโยชน์สุขให้แก่เขาผู้นั้นอย่างไรได้ สุดท้ายเมื่อเขาไม่อาจมองเห็นประโยชน์อันแท้จริงในศาสนาได้แล้วนับวาราแต่นั้นเขาก็เริ่มหันหลังให้ต่อพระศาสนาและก็เร่งจังหวะเดินหน้าเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะประสบชะตากรรมของชีวิตชีวิตของเขาไร้ความหมายไร้ที่พึ่งอันแน่นอนสุดแต่ลมเพลมพัดพัดไปที่ไหนพัดลงน้ำเอาน้ำเป็นที่พึ่งพัดขึ้นภูเขา ยึดภูเขาเป็นที่พึ่งพัดไปหาป่ายึดป่าเป็นที่พึ่งแม้กระทั่งพัดไปสู่สุราเมรัยและบ่อนการพนันแล้วก็ใจไปว่าเนี่ยละประเสริฐจริงเราได้ที่พึ่งอันมั่นคงเสียแล้วเนี่ยละคือชีวิตที่ไร้ความหมายอ น, นาถไม่ทันพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ศาสนิกะทั้งมวล ตกอยู่ในลนะักษณะตาบอดคลำช้างเช่นนั้นเลยแต่ขอให้ปวงศาสนิกะได้มั่นใจเถิดว่าเนื้อเราไม่ติดอยู่เพียงแค่เปลือกแล้วเราย่อมได้โอกาสเข้าถึงเนื้อในตลอดจนกระทั่งมเมล็ดซึ่งใช้นำไปทำพัน์อีกได้แน่นอนเรื่องกฎของกรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องปัจจยาการและอื่นๆ เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องสนใจศึกษาค้นคว้าพินิษพิจารณาให้ถ่องแท้และให้เป็นปัญญาแห่งชีวิตของเราเองแล้วชีวิตเราทั้งชีวิตย่อมแจ่มใสประหนึ่งดวงอาทิตย์ในยามรุ่งอรุณไทยเช่นนั้นท่านศาสนาที่รักนี่คือวิมานทองของชีวิตได้โปรดเถิดโปรดชีวิตของท่านเองเราลองมาร่วมกันเดินทางนี้ต่อไป มาดแม้นว่าชีวิตของท่านยังไม่จำไซสพอลองธรรมานุสิกาในใจของท่านอีกครั้งทำให้มั่นอย่าทำพอเป็นพิธีและอย่าทำชนิดแบบผักชีโรยหน้าและถ้าหากยังผิดหวังอีกแล้วท่านกับเราลองมาคุยกันใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นทั้งนี้โปรดอย่าได้เข้าใจว่าข้าพเจ้าโอหังแต่เพราะข้าพเจ้ามั่นใจเหลือเกินว่า พระพุทธองค์ไม่ได้ส่งสอนเราให้เดินผิดทางเลยเรื่องพุทธวิทยาตามที่มหาพรรตตนสุวรรณได้ค้นคว้าออกเผยแผ่นี้ก็โปรดจะได้นึกว่าเป็นเรื่องของมหาพรแท้จริงเป็นเรื่องของพระพุทธองค์ทั้งสิน้นเจริญรอยตามยุคลบาทพุทธองค์โดยทุกประการแม้หากจะมีแผกไปบ้างนั้นก็เป็นไปโดยเหมาะสม กับวิวัฒนาการของโลกเป็นประการสาคัญยิ่งกว่านั้นแม้หากจะพึงมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าคัดค้านก็พึงทำในใจว่านั่นคือวิวัฒนาการจากการค้นคว้าโดยเฉพาะส่วนของมหาพร์เท่านั้นเองวิวัฒนาการแห่งสัจธรรมยังจะเดินหน้าไปไกลคู่กับโลกยอมเป็นเครื่องตัดสินใจได้แน่นอน สิ่งอันน่าพึงภาคภูมิใจ ย, ยิ่งนักนั้นก็คือเรามาร่วมกันเป็นนักศาสนิกะด้วยใจบริสุทธิ์เดินทางร่วมกันต่อไปขอพรและเมตตาธรรมจงมีแด่ท่านพระสุเมธาธิปดีบุญเลิศทัตตาสุทธิอธิปดีสงวัดมห า, าธาตุกรรมาการมหาเทราสมาคมและเจ้ า, าคณะกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2537 ซึ่งขณะที่เขียนคำนำนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระศีสุธรรมมุนีอารัมพบทมักจะกล่าวกันว่าพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เรียนกันไม่รู้จักจบเพราะคำพีในพุทธศาสนามีมากมายหลายร้อยเล่มเฉพาะพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำพีสำคัญยิ่ง เป็นคำภีที่บันทึกคำสอนของพระพุทธองค์และของพระอรหันต์ในสมัยครั้งพุทธกาลไว้ทั้งหมดก็มีเป็นเล่มใหญ่ๆถึงสี่สิบห้าเล่มนอกจากนี้ยังมีหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกซึ่งเรียกว่าอัทธกถาหนังสืออธิบายอัทธกถาซึ่งเรียกว่าดีกาหนังสืออธิบายดีกาเรียกว่าอนุดีกาและหนังสือประกอบพิเศษอีกมากมาย ซึ่งถึงแม้จะใช้เวลาตลอดชีวิตศึกษาคำภีเหล่านี้อย่างเดียวไม่ศึกษาวิชาอื่นเลยก็ไม่อาจจะอ่านคำภีเหล่านี้ให้ทั่วถึงหรือเข้าใจได้ตลอดทั้งหมดด้วยเหตุที่คำภีมีมากดังกล่าวมานี้ความฟั่นเฟือในคำภีจึงมีอยู่มากเพราะเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในคำภีเหล่านี้ที่ขัดแย้งกันเองก็มีที่ไม่น่าเชื่อก็มีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนั้น มีอยู่แม้ในคำภี์พระไตรปิฎกเองเช่นเรื่องที่กล่าวถึงอสุรินทราหูองมพระจันทร์พระอาทิตย์และในที่สุดต้องคลายออกด้วยอํานาจของพุทธานุภาพแล้วเรื่องเกี่ยวกับเทพนิยายต่างๆเรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาแต่ได้หลงพลัดเข้ามาอยู่ในคมภีร์พระไตรปิฎกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบยังไม่มีใครวินิจฉัยได้เด็ดขาด แต่บางคนก็ยังลังเลใจไม่อาจจะลงมติอย่างเด็ดขาดลงไปว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พุทธพจน์นอกจากเรื่องบางเรื่องที่ทำให้ฟั่นเฟื่อในพระไตรปิฎกแล้วคำอธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์และของพระดีกาจารย์บางแห่งแทนที่จะทำให้เข้าใจพุทธพจน์อย่างตรงไปตรงมาง่ายๆกลับทำให้เข้าใจพุทธพจน์ผิดไปจากความหมายเดิมก็มี ทางนี้ก็เพราะท่านไปเอามาติของลทัทธิอื่นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายในยุคนั้นเข้ามาเป็นคําอธิบายหลักธรรมในพุทธศาสนาที่จริงท่านก็วังดีต่อพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้พุทธศาสนาเป็นที่สนใจของประชาชนในยุคนั้นและเพื่อให้ประชาชนได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับสมัยนี้ถ้าใครสามารถอธิบายหลักธรรม ให้เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าหลักวิทยาศาสตร์ยังต่ำกว่าหลักพุทธศาสนาเสียอีกถ้าทำได้ดังนี้ก็จะทำให้พวกนักศึกษาทั่วไปเกิดความเลื่อมใสและตื่นเต้นในหลักพุทธศาสนาได้อย่างแพร่หลายทีเดียวเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิดความฟั่นเฟือก็คือเรื่องนวนิยายของพุทธศาสนา ที่นักปราชโบราณแต่งขึ้นไว้เช่นเรื่องในคำภีธรรมบทและเรื่องชาดกต่างๆเรื่องเหล่านี้ส่วนมากมีตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เป็นจริงเป็นโครงเรื่องแต่เพราะเหตุที่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในสมัยโบราณซึ่งนักศึกษาทั่วไปในยุคนั้นมีความเชื่อผิดกับคนในสมัยนี้มากมายและย่อมเป็นธรรมดาของเรื่องชนิดนี้ ซึ่งจะต้องอิงอาศัยความเชื่อที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในยุคนั้นๆเป็นส่วนประกอบสำคัญไม่เช่นนั้นคนทั่วไปก็จะไม่เชื่อหรือไม่สนใจแต่ในเมื่อหลักของความเชื่อของสังคมส่วนมากเอเ็นไปในทางเรื่องของพราหมณ์ซึ่งมีแต่เรื่องเทพนิยายต่างๆฉะนั้นเรื่องในพุทธศาสนาก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องมีเรื่องในทํานองนี้ต่างแต่เพียงว่า จะต้องดัดแปลงรูปเรื่องบางอย่างให้เข้ากันได้กับหลักธรรมในพุทธศาสนาดังเช่นเรื่องนรกสวรรค์ของศาสนาพราหมณ์กับของพุทธศาสนาดูไม่แตกตาก่างกันเท่าไรนักที่ว่าเรื่องเหล่านี้ก่อให้เกิดความฟั่นเฟือนั้นก็เพราะคนส่วนมากซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนหลักศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นเขามักจะเชื่อหลักศาสนา ตามเรื่องนวนิยายนี้ซะเป็นส่วนมากและมักจะเชื่อว่าเป็นจริงทั้งหมดทีเดียวเพราะเขาไม่อาจจะแยกเรื่องได้ว่าอะไรเป็นแต่เพียงเรื่องประกอบซึ่งไม่มีความจริงและอะไรเป็นหลักความจริงแต่อย่างไรก็ดีการที่ศาสนาต่างๆมักจะด âm รงสืบต่อมาด้วยวิธีนี้นั้นก็นับว่าเป็นความดีแก่โลกอยู่ไม่น้อยทีเดียว หมายเหตุคือหมายถึงทำให้คนยุคนั้นซึ่งเรื่องทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญและยังมีความเชื่อเดิมอยู่นั้นสามารถเข้าใจธรรมได้ง่ายสนใจธรรมได้ง่ายมากขึ้นโดยใช้เรื่องพวกนั้นเป็นกุสโลบายเพื่อดึงให้เข้าใจธรรมะขั้นสูงต่อไปนะครับการที่ข้าพเจ้าต้องพูดเรื่องนี้ให้รู้ไว้ก่อน ก็เพราะอุปสรรคสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาไม่แพร่หลายก็คือบรรดาความเชื่อผิดๆที่ฝังจิตใจประชาชนอยู่อย่างลึกซึง้งและแพร่หลายทั่วไปนั้นทำให้นักศึกษาในสมัยปัจจุบันดูแคลนหลักธรรมในพุทธศาสนาและเข้ามองดูหลักศาสนาจากความเชื่อถือของประชาชนและสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ทุกๆวันนั้นส่วนมากเขารู้สึกว่าไม่มีเหตุผล และเต็มไปด้วยความงมงายต่างๆเช่นการเวียนไหวตายเกิดเรื่องนโรกสวรรค์นั้นเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความหวังอย่างล้มล้มแห้งแงเป็นวิธีหลอกกันอย่างหนึ่งดังนี้เป็นต้นความเชื่อถืออย่างผิดผิดที่ฝังจิตใจประชาชนอยู่อย่างลึกซึ้งและแพร่หลายนี้ยังก่อให้เกิดความมืดมัวขึ้นในวงการของพุทธศาสนาอย่างน่าสลดใจอีก ทางนี้ก็เพราะความเข้าใจผิดเหล่านั้นได้เป็นม่านกีดกั้นเขาเหล่านี้ไว้ไม่ให้เข้าใจหลักธรรมจริงๆในพุทธศาสนาได้เลยเพราะเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาถือไว้แต่เดิมนั้นถูกต้องดีแล้วฉะนั้นถ้าจะมีใครนำเอาหลักธรรมจริงๆไปบอกแต่เพราะเหตุที่ไปขัดแย้งกับความเชื่อถือเดิมฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาจะต้องบอกว่า ความเห็นนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือไม่ว่าคนชั้นไหนยังหลงเข้าใจผิดกันอยู่เสมอว่าธรรมชาติสร้างตัวเขาขึ้นมาชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับธรรมชาติสุดแล้วแต่ธรรมชาติจะบันดาลให้เป็นไปและก็อ้างว่าการถือเช่นนี้เป็นการถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแล้ว ฉนั้นถ้ามีใครไปบอกเขาว่าธรรมชาติอย่างที่เข้าใจนั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไวเช่นนั้นคำว่าธรรมชาติในทางพุทธศาสนาไม่มีเพราะในพุทธศาสนาใช้คำว่าวิญญาณหรือใจแทนคำว่าธรรมชาติวิญญาณของเรานี่แหละคือตัวธรรมชาติหรือพระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมา เมื่อฟังดังนี้เขาก็มักจะเห็นว่าคนที่พูดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียแล้วนี่แหละคือข้อที่น่าสลดใจเพราะเขาไม่รู้สึกแม้แต่น้อยว่าการเข้าใจผิดในเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นได้ก่อให้เกิดความมืดมัวอย่างใหญ่หลวงต่อหลักธรรมทั้งหมดแต่ตรงกันข้ามถ้าเข้าใจเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวถูกต้องดีแล้วจะทาให้เข้าใจหลักธรรมทุกอย่าง ของพุทธศาสนาถูกต้องตามความเป็นจริงและง่ายขึ้นอีกด้วยนอกจากความยุ่งยากในทางคัมภีร์ดังที่กล่าวมาแล้วยังมีความยุ่งยากเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกที่เป็นอุปสรรคทําให้พุทธศาสนาไม่แพร่หลายเพราะข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาส่วนมากเข้มงวดทั้งนั้นเช่นแม้เพียงข้อปฏิบัติขั้นต้น คือศีลห้าสามัญชนทั่วไปก็ยากที่จะปฏิบัติได้อย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์เสียแล้วยิ่งเป็นข้อปฏิบัติขั้นสูงเช่นเรื่องกรรมฐานซึ่งถือว่าเป็นทางตรงและสั้นที่จะนำไปสู่ผลอันสูงสุดของพุทธศาสนาแต่จะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติตามได้ฉะนั้นคนส่วนมากจึงสนใจศาสนา แต่ในเรื่องพิธีซะเป็นส่วนมากและสนใจเฉพาะในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นเช่นในเวลาตายเป็นต้นความจริงเท่าเราได้ศึกษาถึงสถานการณ์ของสามัญชนโดยถีท่วนแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าสามัญชนทั่วไปย่อมไม่อาจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามหลักศาสนาได้จริง เว้นแต่หลักที่จะไม่ทำให้เขาต้องเสียเวลามากและหลักที่ไม่ฝืนนิสัยจนเกินไปและไม่ขัดกับการอาชีพเท่านั้นทั้งนี้เพราะความจำเป็นในการดำรงชีพบีบบังคับอยู่รอบด้านทำให้ไม่มีเวลาและไหนสิ่งแวดล้อมก็เต็มไปด้วยเครื่องยั่ว ย, ยาซึ่งคอยร้าใจให้กิเลสลุกโผล่อยู่เสมอฉะนั้นจึงเป็นการยาก ที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจเรียนศาสนาและให้เขาปฏิบัติตามหลักศาสนาเพราะแม้แต่เพียงสี่ห้าคนทั่วไปก็ยากที่จะปฏิบัติตามได้เสียแล้วจะปฏิบัติตามได้ก็แต่บางข้อแต่ถึงกระนั้นก็ปฏิบัติได้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าเรามองดูแต่เพียงหลักการของพุทธศาสนา โดยไม่ได้ดูสถานการณ์ของประชาชนก็ดูจะทำให้เราแน่ใจได้ว่าพุทธศาสนาสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้จริงแต่ถ้าเราหันมามองดูจากด้านของสามัญชนแล้วเราจะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าหากวิธีการเผยแพร่ของพุทธศาสนายังเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะเท่าที่เป็นอยู่นี้ไม่อาจจะแก้ไขความเสื่อมโทรม ในทางศิลธรรมของสังคมได้ถึงหากจะแก้ได้ก็เป็นส่วนน้อยซึ่งไม่พอสำหรับจะเป็นรากฐานแห่งสันติภาพของโลกอันหนึ่งยอมเป็นที่รู้จักกันดีว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วผู้ที่จะบันดาลให้สังคมเสื่อมหรือจเจริญ น, นั้นก็คือชนชั้นปัญญาชนคนที่มีการศึกษาดีเพราะคนเหล่านี้ มีอำนาจในการปกครองมีอำนาจในการเศรษฐกิจมีอำนาจในการจัดระบบการศึกษาถ้าหากคนชั้นนี้หันความสนใจไปสู่จุดไหนคนอื่นๆก็ทำตามคนชั้นนี้มีความโน้มเอียงเชื่อไปทางไหนคนอื่นๆก็เชื่อตามแต่เหตุการณ์เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ปรากฏว่านักศึกษาที่สนใจต่อศาสนาจริงๆมีจานวนน้อยมาก น้อยจนทำให้เกิดธรรมเนียมในสังคมขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าคนหนุ่มหรือสาวถ้าสนใจในทางศาสนาก็มักจะได้รับการดูหมิ่นหรือเยาะเย้ยว่าเป็นคนคลึ้หรือเป็นคนแก่วัดต้องเป็นคนแก่จึงจะไม่ถูกว่าเพราะเหตุนี้คนหนุ่มหนุ่มสาวสาวเลยไม่กล้าสนใจเพราะอายกลัวเขาจะว่าขอให้คิดดู เมื่อคนชั้นนี้ไม่สนใจแล้วเราจะทำให้คนชั้นไหนสนใจเราอันหนึง่งเนื่องจากวิชาพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาอาชีพและโดยปกติคนเราจะต้องนึกถึงการอาชีพเป็นใหญ่กว่ายังอื่นข้อนี้ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาไม่แพร่หลายแต่อุปสรรคข้อนี้ ก็ไม่สู้จะเป็นเหตุสาคัญอะไรนะักเหตุที่สาคัญจริงๆอยู่ที่ว่าเป็นเพราะเขาไม่เห็นพ้องด้วยกับหลักศาสนาต่างหากเช่นไม่เห็นพ้องด้วยกับหลักเรื่องวิญญาณเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นเมื่อบุคคลชั้นนี้ไม่เห็นพ้องด้วยแล้วพุทธศาสนาย่อมจะแพร่หลายไม่ได้ เมื่อพุทธศาสนาไม่แพร่หลายแทรกซึมลงในสังคมอย่างกว้างขวางแล้วสันติภาพในสังคมย่อมมีไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการดังที่กล่าวมานี้จึงทำให้ข้าพเจ้าคุ่นคิดอยู่เสมอที่จะหาวิธีแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้แต่การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ตกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์เหล่านี้คือหนึ่ง หลักพุทธศาสนาที่จะนำมาเผยพราให้กับประชาชนนั้นจะต้องมีหลักฐานแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นหลักพุทธศาสนาจริงๆสองหลักพุทธศาสนานั้นจะต้องมีอิทธิพลดึงดูดให้นักศึกษาสนใจและเห็นพ้องด้วยสามหลักพุทธศาสนานั้น จะต้องมีอิทธิพลโน้มนาวให้นักศึกษาเกิดความจำเป็นจากตัวเขาเองที่จะต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรมด้วยความยินดีเลื่อมใสจริงๆ 4. หลักพุทธศาสนานั้นจะต้องไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ให้เป็นหลักที่สามารถทำให้ประชาชนตั้งกฎเกณฑ์ในทางศีลธรรมของเขาขึ้นมาได้เองโดยอิสระ หาหลักพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้และต้องเป็นความรู้ที่ประชาชนจำเป็นจะต้องใช้เป็นประจาวันหหลักพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นหลักสากลที่คนทุกชาติทุกศาสนาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นจุดศูนย์กลาง ที่จะทำให้ศาสนาต่างๆมาพบกันได้โดยง่ายหลักการดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นี้จะเห็นได้ชัดว่าถ้าทำได้ตามหลักนี้จริงๆแน่นอนพุทธศาสนาย่อมแพร่หลายไปทั่วโลกและโลกจะดำรงอยู่ในสันติภาพได้เป็นเวลานานแต่ปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าจะเอาหลักพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่มากมายในพระไตรปิฎกมารวบรวมไว้อย่างไรจึงให้เกิดผลตามหลักการนี้สำหรับมติส่วนตัวของข้าพเจ้าเห็นว่าบรรดาหลักธรรมต่างๆเท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นไม่มีธรรมะหมวดไหนที่พระองค์ทรงแสดงไว้มากเท่ากับเรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทเรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทพูดได้อย่างมั่นใจที่สุดว่า เป็นหลักพุทธศาสนาจริงจริงเพราะมีหลักฐานแสดงไว้อย่างชัดเจนที่สุดว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และเป็นหลักธรรมดั้งเดิมที่สุดปัญหาต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงใครครวญมากทั้งในเวลาก่อนตรัสรู้และหลังจากตรัสรู้แล้วก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทและหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ ซึ่งเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเอาชนะกิเลสได้ก็คือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งมากเรื่องนี้ไม่มีนักปราชญ์คนไหนสงสัยเลยว่าจะไม่ใช่หลักพุทธศาสนาจริงๆนักปราชญ์ทุกคนต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวว่านี่คือหลักพุทธพจน์ดั้งเดิมที่สุดและเป็นหลักที่มีอยู่ในพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่มีในศาสนาอื่น พุทธศาสนาแม้ว่าจะมีอยู่มากมายหลายนิกายแต่ทุกนิกายก็มีกล่าวถึงเรื่องนี้และมีหัวข้อในเรื่องนี้เหมือนกันหมดจะแตกต่างกันก็แต่เพียงการตีความหมายบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนอกจากนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทยังเป็นหลักปรัชญาที่สามารถเรียนได้เหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์เพราะแต่ละหัวข้อมีข้อเท็จจริงยืนยัน สามารถพิสูจน์ได้ทั้งสิน้นและจากการเข้าใจเรื่องนี้จะสามารถทำให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาอื่นๆง่ายเพราะหลักธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสิ่งที่ขยายออกไปจากหลักปฏิจจสมุปบาททั้งสิน้นยิ่งกว่านั้นเมื่อเราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจซึ่งแล้ว จะทำให้เข้าใจปรัชญาแขนงอื่นๆง่ายอีกด้วยฉะนั้นจะเห็นว่าด้วยการเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นจะได้ผลมากมายเพียงไรทุกวันนี้เราพบว่าในวงการแพทย์มีการค้นคว้าวัคซีนต่างๆเพื่อป้องกันโรคข้าพเจ้ารู้สึกมานานแล้วว่าการที่จะควบคุมคนให้อยู่ในศีลธรรมเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่ถ้าเรามีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความต้านทานขึ้นในจิตใจต่อสิ่งยั่วยาวต่างๆข้อนั้นจะเป็นทางทำให้ประชาชนอยู่ในศิลธรรมได้เองปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าเราจะฉีดความรู้อันใดลงไปในจิตใจจึงจะก่อให้เกิดผลเป็นวัคซีนป้องกันโรคจิตซามได้และสามารถทำให้ความชั่วที่เขาได้พบเห็น และได้ผ่านมาด้วยตนเองซึ่งแทนที่จะทำให้เขาด้านหมดความละอายต่อความชั่วเพราะความเคยชินนั้นกลับจะทำให้เขารู้สึกซึ้งในเรื่องของความชั่วซึ่งในที่สุดก็ทำให้เกิดความต้านทานต่อความชั่วขึ้นในจิตใจจนกระทั่งสิ่งยั่วยาไม่มีอิทธิพลที่จะชักจูงให้เขาเป็นคนชั่วอีกต่อไปและเกิดความเลื่อมใสพอใจในอันที่จะดำรงตนอยู่ในความดี ปัญหาเรื่องนี้ข้าพเจ้าใฝ่ฝันมานานแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ค้นพบว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องของชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละสามารถใช้เป็นวัคซีนได้แน่นอนถ้าหากได้ฉีดความรู้เรื่องนี้เข้าไปในจิตใจของเด็กตั้งแต่เล็กๆ เ, เริ่มจากแง่ที่ง่ายๆก่อนแล้วจึงค่อยเพิ่มความเข้าใจลึกซึง้งยิ่งขึ้นไปโดยลาดับจนกระทั่งเด็กมีความเข้าใจ เรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วเด็กก็จะมีพื้นความรู้สึกสูงความรู้สึกอันนี้ก็จะคอยเตือนคอยฉุดในเมื่อเด็กจะเดินทางผิดก็จะคอยชี้ช่องทางในเมื่อมีปัญหาชีวิตต่างๆเกิดขึ้นและพูดได้ว่าสําหรับเด็กที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างพอสมควรแล้วเราก็สามารถปล่อยเขาได้เป็นอิสระแม้หากว่าเขาจะไปประพฤติความชั่วบ้าง ก็ไม่จำเป็นต้องวิตกเพราะความชั่วแต่ละอย่างที่เขาประพฤตินั้นแทนที่จะทำให้เขาจมดิ่งในความชั่วความชั่วนั้นกลับจะทำให้เขามีความเข้มแข็งในการเหนี่ยวรั้งยิ่งขึ้นทุกทุกทีแต่อย่างไรก็ดีปัญหาที่ยุ่งยากเนียวเรื่องนี้มีอยู่ว่าคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องยากและลึกซึ้งเกินสติปัญญาของสามัญชนแต่ความเป็นจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องยากสำหรับคนในสมัยก่อนเท่านั้นส่วนในปัจจุบันเรื่องนี้แม้แต่เด็กๆ ก, ก็เรียนได้เพราะเด็กส่วนมากมีความรู้เรื่องชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งความรู้ขแขนงนี้จะช่วยให้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้อย่างดีที่สุด และใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็อาจที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ตลอดพอที่จะเป็นวัคซีนได้อย่างดีและเมื่อศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เรียนจบโดยไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนอย่างที่เคยเข้าใจกันเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าวิชานี้มีความสาคัญเพียงไรฉะนั้น จะขอยกคาถาอุทานซึ่งเป็นความรู้สึกของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงเปล่งออกมาหลังจากที่ได้ทรงใคร่ครวญเรื่องนี้ยังลึกซึ้งแล้วซึ่งมีดังนี้เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรแพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นยอมสิ้นไปเพราะเมารู้ชัดว่าอ๋อความเกิดของชีวิต มีเหตุเป <and the> ็นมาอย่างนี้นี่เองเพราะมารู้ชัดว่าอ๋อความดับของชีวิตก็สิ้นสุดลงโดยวิธีนี้เองเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏชัดแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามย่อมกําจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจพระอาทิกุทัยกําจัดความมืดทำอากาศให้สว่างชันนั้น คำว่าธรรมหรือธรรมะในที่นี้หมายถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏชัดหมายความว่าเมื่อใดทำเรื่องปฏิจจสมุปบาทปรากฏชัดขอให้พยายามอ่านไร้ครวนข้อความเหล่านี้ให้ลึกซึ้งที่สุดจึงจะรู้สึกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีความสำคัญสูงสุดเพียงไร หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อจิตใจให้เป็นหนังสือตำราและให้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงได้ฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยหลักฐานซึ่งส่วนมากอ้างมาจากหนังสือพระไตรปิฎกและได้บอกที่มาวิชัดเจนทุกแห่งเพื่อสะดวกแก่การค้นคว้าแต่ข้าพระเจ้ารู้สึกว่าการเขียนแบบนี้ย่อมเป็นที่ราคาญแก่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักค้นคว้าและโดยเฉพาะ ก็คือผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักบาลีแต่เพราะเหตุที่มีความมุ่งหมายดังกล่าวฉ น, นั้นจึงไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แต่ก็ได้พยายามเป็นอย่างมากแล้วที่จะให้นักศึกษาทั่ ว, วไปอ่านรู้เรื่องแต่ถึงกระนั้นก็เข้าใจว่าสําหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษามาอย่างกว้างขวางก็คงจะอ่านเข้าใจยากอยู่บ้างแต่ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าในโอกาสต่อไป ข้าพเจ้าจะพยายามเขียนอธิบายข้อความที่ยากๆในหนังสือเล่มนี้ให้สำหรับคนธรรมดาทั่วไปอ่านรู้เรื่องหนังสือชุดนี้มีสองเล่มเล่มสองว่าด้วยเรื่องของกรรมนโรกสวรรค์และนิพพานแต่ระบทในเล่มสองยาวกว่าในเล่มหนึ่งมากฉะนั้นจึงต้องทำเป็นสองเล่มในการจะทําเป็นเสียงอ่านนั้น เพื่อความสะดวกในการฟังจะอ่านที่มาอ้างอิงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับบรรณกรรมอุทิตส่วนดีของหนังสือนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศน้ำพักน้ำแรงถวายกุศลแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตเขมาจารีเทร ะ, ประเปรียนธรรม9ก้าประโยควัดมห า, าธาตุพระนครสมเด็จพระอุปชัยยะผู้ล้นพระคุณของปวงสิทธิ์มห า, าธาตุวิทยาลัย ธรรมอนุโมทนาหนังสือเล่มนี้พิมพ์เป็นเล่มขึ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือของคุณเอ็ดนับป้อมเพชรและด้วยทุนของมูลนิธิอาเซียซึ่งได้มีกุศลเจตนาและมีความปรารถนาร่วมกันในอันที่จะช่วยให้พุทธศาสนาแพร่หลายเพื่ออำนวยสันติสุขให้แก่โลกข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ณที่นี้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณต่อท่านเจ้าคุณสีสุธรรมวุณีซึ่งได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดพิมพ์และเป็นบุคคลแรกที่ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหนังสือเล่มนี้จะไม่สำเร็จก็ตั้งหลายครั้งอาจจะได้อาศัยกาลังใจจากท่านและหากไม่มีท่านคอยเตือนข้าพเจ้าป่านนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เขียนก็เป็นได้ และยังมีบุคคลอีกสองท่านซึ่งข้าพเจ้าจะลืมไม่ได้เลยจนตลอดชีวิตคือเจ้าชื่นเจ้าฉายสิโรรสพร้อมด้วยครอบครัวทุกคนตระกูลนี้ได้อุปการะข้าพเจ้ามาตั้งแต่เริ่มตั้งพุทธนิคมเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2492ตระกูลนี้ได้เสียสละอย่างมากมายในการให้กำลังรื้อฟื้นฟูการเผยแพร่พุทธศาสนาโดยได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวก่อตั้งพุทธนิคม และส่วนพุทธธรรมซึ่งงานชิ้นนี้ได้ก่อประโยชน์ให้กับประชาชนในเชียงใหม่และที่อื่นเป็นอันมากและโดยส่วนตัวท่านทั้งสองนี้ได้แสดงความเมตตาปราณีต่อข้าพเจ้าเสมือนบิดามารดาบังเกิดกล้าทีเดียวตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าทํางานอยู่ในพุท ธ, ธนิคมตระกูลนี้ได้ช่วยเหลือและได้ให้ความสะดวกทุกอย่างเท่าที่จะให้ได้ด้วยคุณธรรมแห่งตระกูลสิโรรสเห็นปานี้ ากงานของข้าพเจ้าจะพึงมีประโยชน์ต่อสังคมเพียงไรแล้วนั่นย่อมหมายถึงว่าตระกูลซิโรรถได้บำเพ็ญประโยชน์ไว้กับสังคมนั่นเองและอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในงานของข้าพเจ้าก็คือตระกูลชัยเนตรเพราะพี่จานพี่พ่องชัยเนตรพร้อมด้วยคุณป้าบุญช่วยผู้เป็นแม่ของพี่พ่องสามคนนี้เป็นผู้ชักชวนให้ข้าพเจ้าอยู่เชียงใหม่ และรับอุปการะตั้งแต่แรกพบในวาระแรกที่ขพเจ้าย่างเท้าข้อสู่นครเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2486ทั้งสามท่านนั้นได้รับอุปการะตั้งแต่แรกพบในวาระแรกที่ขพเจ้าย่างเท้าข้อสู่นครเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2486และเป็นผู้สร้างหนังสือพระไตรปิฎกฉบับบาลีพร้อมด้วยอัถกถาครบชุดด้วยทุนส่วนตัวจากกาไรขายขนม ให้กับข้าพเจ้าการได้นังสือพระไตรปิฎกสำหรับข้าพเจ้ารู้สึกยิ่งกว่าการได้แก้วอันวิเศษข้าพเจ้าดีใจมากดีใจจนถึงกับประกาศไม่รับกิจนิมนต์นอกวัดเป็นเวลาหลายปีทีเดียวทางนี้ก็เพื่อจะใช้เวลาฝังตัวอยู่กับการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกให้ทั่วถึงสถึงสปีผ่านไปเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าในพระไตรปิฎกมีอะไรบ้าง ข้าพเจ้าก็เริ่มงานเผยแผ่พุทธศาสนาแผนใหม่ทันทีโดยเริ่มต้นจากการสอนเรื่องวิญญาณให้กับนักศึกษาและเด็กๆภายในวัด ส, สีโขงที่ข้าพเจ้าจำพรรษาอยู่งานนี้เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2491เจดถึง8เดือนผ่านไปผู้ฟังของข้าพเจ้าก็คงจะมีจำนวนเท่าเดิมคือสิบกว่าคนและเด็กๆอีกรวมยี่สิบกว่าคน งานครั้งนั้นดูจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยแต่งานอันนี้แหละซึ่งต่อมาไดกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธนิคมกล่าวคือเจ้าชื่นและเจ้าฉายได้สนใจต่อวิธีการซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่เมื่อแนวคิดตรงกันพุทธนิคมจึงได้กำเนิดขึ้นมาในโลกภายใต้การอุปการะของตระกูลสิโรรสและภายใต้การนาของท่านปัญญา น, นันทะ ผู้มีอัจริยภาพในการพูดหมายถึงหลวงพ่อปัญญา น, นันทาภิกขุวัชชนละประทานงานนี้ได้รุดหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วพุทธสมาคมเชียงใหม่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยอย่างใกล้ชิดและจากการอุดหนุนของพุทธนิคมยูวาพุทธิกาสมาคมก็เกิดขึ้นมาอีกสมาคมหนึ่งทั้งสามองค์การได้ร่วมแรงร่วมใจกันทาการเผยแพร่พุทธศาสนาได้ผลอย่างกว้างขวางมาก จนในที่สุดด้วยการเรียกร้องของประชาชนเพื่อที่จะให้งานเหล่านี้เป็นปึกแผ่นฉนั้นทั้งทางคณะสงฆ์และประชาชนทุกฝ่ายจึงเด้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพุทธสถานขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการทำงานเหล่านี้บุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งควรจะเอาึกไว้ในที่นี้ด้วยเพราะเป็นผู้ร่วมคิดมาด้วยกันตั้งแต่แรกคือคุณชเวียงมิตาสิริ ซึ่งเป็นสหายร่วมสำนักเรียนแล้วร่วมอุปชาเดียวกันและเคยอยู่ร่วมกันที่สวนโมคาพลาวรามชัยยาเมื่อพุทธศักราช2484ข้าพเจ้ากับสหายผู้นี้ได้ร่วมคิดกันมาตั้งแต่อยู่ที่วัดมห า, าธาตุแล้วในสมัยนั้นงานของท่านพุทธทาสพิกุได้มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าและสหายมากที่สุดฉนั้นจึงได้ตกลงไปขออยู่ร่วมกับท่าน จากการได้อยู่ใกล้ชิดจากการได้อ่านหนังสือของท่านและได้ฟังท่านพูดได้ฟังท่านอธิบายข้อธรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมจิตใจให้ข้าพเจ้ารักพระศาสนามากยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งแม้จะได้จากท่านไปแล้วแต่อิทธิพลแห่งความคิดของท่านไม่ได้จางไปจากข้าพเจ้าเลยฉะนั้นหากว่า ง, งานของข้าพเจ้าจะพึงมีผลอย่างไรต่อสังคมนั้นย่อมหมายถึงว่า ท่านได้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสังคมส่วนนั้นและบุคคลทั้งหมดที่กล่าวนามมาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้วางรากฐานให้กับงานของข้าพเจ้าและเป็นผู้สร้างตัวข้าพเจ้าด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดบุคคลที่มีคุณนั้นยิ่งใหญ่และเป็นผู้ปั้นข้าพเจ้ามาตั้งแต่แรกก็คือบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าครูของข้าพเจ้าทุกท่านและทุกอง และที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสมเด็จพระวรรณรัตเ่งเขมาจาวรีปริเรียนธรรมก้าประโยควัดมหาธาตุผู้เป็นพระอุปชาของข้าพเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจจะพรรณนาพระคุณของท่านด้วยคําพูดให้เป็นที่จุใจได้ฉนั้นจึงขอบูชาพระคุณของท่านด้วยขออุทิศงานชิ้นนี้และขอปฏิญาณต่อดวงวิญญาณของท่านว่าจะพยายามทางานนี้ให้ดีที่สุด จนสุดความสามารถตราบเท่าชีวิตสลายพรรัตนสุวรรณคณะเจ็ 7, วัดมหาธาตุพระนคร25กลุ่กุมภาพันธุ์พุทธศักราช 2,499 สารบัญบทที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทคืออะไรสำคัญอย่างไรหัวข้อแห่งปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือกฎธรรมดาของชีวิตที่ดารงอยู่ชั่วนิรันดร์ถ้าไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกและจะพ้นจากนารกไม่ได้เรื่องอบายสมนุษย์ห้ทุคติสองและสังสารวัต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 เมื่อเทียบกับคำสอนของพุทธคล้ายกับวิชาศาสนาเปรียบเทียบนะครับแต่เป็นการอธิบายในเชิงลึกเป็นคำสอนขั้นสูงที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละศาสนานั้นก็ยังเข้าไม่ถึงความรู้ระดับนี้ซึ่งก็ไม่ต่างจากชาวพุทธเช่นกันจนทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจคำสอนของแต่ละศาสนาจงเกิดปัญหามากมายอย่างสงครามศาสนาหรือปัญหาระหว่างศาสนา การเข้าใจเรื่องพระเจ้าในความหมายเชิงลึกที่เป็นนามธรรมนั้นจะทำให้โลกเกิดสันติได้จริงและทําให้ศาสนิกแต่และศาสนานั้นเข้าใจคําสอนได้ถูกต้องตรงทางมากขึ้นและแม้แต่คนพุทธเองก็จะได้ประโยชน์คือเข้าใจเรื่องวิญญาณและวิบากได้ดีขึ้นผ่านคําสอนที่เป็นบุคลาทิฏฐานวิธีแสดงธรรมโดยยกบุคคลขึ้นอ้างหรือการสมมติบุคคลขึ้นมาเพื่อให้จับต้องได้เข้าใจตามได้ง่าย กว่าการแสดงสภาวธรรมโดยตรงอย่างเช่นเรื่องเท พ, พเจ้าในบางศาสนาซึ่งแนวทางนี้ก็คล้ายกับการอธิบายธรรมผ่านนิทานชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธเช่นกันนะครับธรรมชาติคืออะไรพระเจ้าคืออะไรแ่คิดทิฏฐทำให้เชื่อว่ามีพระเจ้าสภาพของพระเจ้ากับวิญญาณในพุทธศาสนา ข้อที่แตกต่างระหว่างวิญญาณในคริสศาสนากับในพุทธศาสนาข้อที่น่าสนใจกับข้อที่น่าสงสัยและคำตอบที่น่าฟังในศาสนาคริสตเรื่องพระเจ้าในศาสนาฮินดูแล้วเรื่องพระเจ้าในศาสนาอิสลามข้อที่ต่างกันและเหมือนกันระหว่างหลักศาสนาฮินดูกับหลักศาสนาคริส บทที่3วิญญาณในพุทธศาสนาจะศึกษาเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาให้เข้าใจง่ายต้องศึกษาเรื่องธรรมชาติและพระเจ้าก่อนคือหมายถึงพระเจ้าในแง่นามธรรมและในความหมายเชิงลึกนะครับวิญญาณในความหมายของพุทธศาสนาไม่ใช่ผีแต่วิญญาณในความหมายของพุทธศาสนาคือพลังงานหรืออำนาจชนิดหนึ่ง ที่เป็นนามธรรมวิญญาณมีอยู่ในชีวิตทั้งปวงในพืชในเชื้อโรคก็มีวิญญาณท่านที่ศึกษาธรรมะามาระดับหนึ่งอย่าพึ่งค้านในเรื่องนี้นะครับโปรดฟังคำอธิบายก่อนวิญญาณเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งนอกจากธาตุทั้งสี่และอากาศธาตุคำว่าธาตุ ในพุทธศาสนามีความหมายไม่เหมือนกับในทางวิทยาศาสตร์วิญญาณเป็นธาตุนามธรรมความหมายของคำว่านามธรรมพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณมีอยู่ในทุกเซลล์ชีวิตจะศึกษาเรื่องวิญญาณให้เข้าใจง่ายต้องศึกษาจะข้อเท็จจริงของชีวิตชีวิตแรกเกิดมีวิญญาณมาปฏิสนธิแล้วหรือยัง วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้อย่างไรความหมายของคำว่าวิญญาณอายตนะนามเจตสิกสัมปยุต ธ, ธรรมรูปมหาพูธ ร, รูปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดมหาพุทธ ร, รูปคือาธาตุทั้งสี่และเกี่ยวกับคำว่ า, าธาตุตัวอย่างาธาตุทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุทั้งสคิดอย่างไรจึงจะเข้าใจซึ้งวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทายรูปความหมายของคําว่าอุปาทายรูปตัวอย่างอุปาทายรูปความร้อนก็เรียกว่ารูปปฏิการิของร่างกายที่เรียกว่ารูปความหมายสั้นๆของคําว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ซึ้งก่อนจึงจะเข้าใจเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งนามอะไรบ้างที่วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตตาชีวิตติสีปฏิกิริยาของชีวิตกับสิ่งที่ร้ชีวิตต่างกันอย่างไร ความจำความรู้สึกเกิดจากสมองจริงหรือการเกิดของชีวิตตามหลักชีววิทยาที่พุทธศาสนารับรองวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคาว่าปัจจัยคืออย่างไรชีวิตจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่อาศัยวิญญาณอย่างเดียววิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามกับเป็นปัจจัยให้เกิดรูป มีความหมายลึกซึ้งผิดกันอย่างไรวิญญาณกับนามเป็นสัมปยุตธรรมวิญญาณกับรูปเป็นวิปยุตธรรมบทวินิจัยวิญญาณหกเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเรื่องวิญญาณหกเรื่องจุติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณผวังข้าวิญญาณพอวิญญาณจุติ ก็ปฏิสนธิทันทีบทวินิจัยวิถีวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปวิญญาณมีสองประเภทคือวิถีวิญญาณวิญญาณที่รู้สึกตัวได้และภวังคาวิญญาณวิญญาณที่รู้สึกตัวไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีวิญญาณกับภวังคาวิญญาณบทวินิจัยชีวิตแรกเกิด มีวิญญาณมาปฏิสนธิแล้วหรือยังเรื่องกรร ม, มัชรูปคือหลักฐานอันหนึ่งที่แสดงว่าวิญญาณได้มาปฏิสนธิตั้งแต่ชีวิตเริ่มอุบัติกรร ม, มัชรูปคือรูปเกิดแต่กรรมมีอะไรบ้างชีวิตแรกเกิดใหม่ๆบาลีเรียกว่ากาละละลักษณะและขนาดเห่งกาลละ ลำดับแห่งการเจริญเติบโตของทารกในคันข้อพิสูจน์ในทางการแพทย์ปัจจุบันทำให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาง่ายขึ้นพุทธศาสนารู้หลักชีววิทยามาตั้งสองพันกว่าปีแล้วภวังคจิตตั้งอยู่ที่สมองเหตุไรพระพุทธโคสะหรือพระพุทธโคษ า, าจารย์จึงเข้าใจว่าวิ ญ, ญญาณตั้งอยู่ในหัวใจ ในที่นี้คือพระอัฏฐกถาจารย์องค์สำคัญผู้เรียบเรียงและแต่งคำภีไว้มากมายที่ชาวพุทธฝ่ายเทราวาดใช้เป็นหลักประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกมาจนถึงปัจจุบันนะครับคำภีที่เด่นเช่นวิสุทธิมักวิญญาณเมื่อปฏิสนธิแล้วก็เริ่มสร้างสมองก่อนวิญญาณในคนคนหนึ่งคือกลุ่มพลังงานวิญญาณอันมหึมา ซึ่งรวมกันอยู่อย่างเป็นระเบียบและมีศูนย์กลางอยู่ที่สมองวิธีศึกษาเรื่องวิญญาณจะให้เข้าใจง่ายต้องศึกษาจากเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายคือปรากฏการ์ของวิญญาณในทางวัตถุบทวินิจฉัยวิญญาณปฏิสนธิได้เฉพาะในสิ่งมีชีวิตวิญญาณจะสร้างร่างกายขึ้นมาจากความว่างเปล่าไม่ได้ ข้อแตกต่างระหว่างวิญญาณในพุทธศาสนากับพระเจ้าบทวินิจฉัยต้นไม้มีวิญญาณคืออย่างไรเหตุไรบางคนจึงถือว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณถ้าต้นไม้ไม่มีวิญญาณชีวิตของต้นไม้เกิดจากอะไรบางคนว่าเกิดจากอุตุ ค, คืออุณหภูมิคำตอบนี้ถูกต้องแน่หรือไม่ บทที่4วิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตจะรู้ได้อย่างไรว่าวิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตจะรู้ได้ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวิญญาณเป็นธรรมชาติที่มีเจ็ดจำนงตามหลักปฏิจะสมุปบาทที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและต้องเรียนเรื่องขันห้ให้เข้าใจดีที่สุดก่อนจึงจะเข้าใจว่า วิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสารรค์ชีวิตขันห้าคือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเมื่อเข้าใจขันห้าดีแล้วโดยเฉพาะคือพวกสังขารต้องเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดและจงเอาข้อเท็จจริงของชีวิตมาเทียบกับลักษณะของวิญญาณก็จะทําให้เข้าใจอย่างแจมแจ้งว่า วิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตข้อแย้งของนักวิทยาศาสตร์ข้อเตือนสำหรับผู้ไม่เชื่อสังขารในขันห้าไม่ใช่หมายถึงร่างกายความหมายของคำว่าสังขารวิสังขารสังขารธรรมอสังขตธรรมสัญญาจะดีหรือไม่ดีเกี่ยวข้องกับสมองและคุณสมบัติของใจ ญายาวิญญาณไม่ใช่หมายเพียงแค่ความรู้สึกตามผิวกายเท่านั้นเมโนโวิญญาณก็ไม่ใช่หมายเพียงแค่ความนึกคิดที่รู้สึกตัวเท่านั้นโลหิตก็เรียกว่าโลทัพพะคือสิ่งต้องการหลักฐานที่แสดงว่าต้นไม้มีวิญญาณวิญญาณขยายตัวตามความเจริญของร่างกาย คำที่มีความหมายอย่างเดียวกับวิญญาณบทที่5การเกิดของวิญญาณคนทั่วไปมักเข้าใจว่าวิญญาณเกิดจากชีวิตชีวิตไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณเป็นผลของชีวิตและวิญญาณสืบต่อได้ทางเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างไร วิญญาณเกิดจากชีวิตหลักนี้ในพุทธศาสนาก็มีแต่เป็นในแง่หนึ่งเท่านั้นวิญญาณจะเกิดได้ต้องอาศัยร่างกายอาศัยชีวิตอาศัยพฤติกรรมของร่างกายสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสิน้นโดยใช้สํา น, นวนว่ามหาพุทธรูปและอุปาทายรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณลักขณะรูปสี่ เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและคือพฤติกรรมในระบบของเซลล์กัมมันยตาก็คือกัมมันทภาพของร่างกายเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณการเกิดของวิญญาณเกี่ยวข้องกับโลหิตอย่างใกล้ชิดที่สุดเรื่องเซลล์ในพุทธศาสนาชีวิตคืออะไรวิญญาณเกิดจากชีวิตเป็นความจริงเพียงแง่เดียว แท้จริงวิญญาณย่อมเกิดจากวิญญาณจะรู้ได้ชัดว่าวิญญาณเกิดจากวิญญาณต้องรู้เสียก่อนว่าคําว่าวิญญาณเกิดละดับมีความหมายแค่ไหนและอะไรคือสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริงวิญญาณมีสองประเภทคือวิถีจิตกับะวังขจิตคําว่าผวังขจิตเกิดวิถีจิตเกิด อะไรคือสิ่งที่มีอยู่นักวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับว่าจิตเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างหนึ่งและถือว่าจิตเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมอาณาจากักรวัตถุทั้งหมดสิ่งที่มีตามมติของพุทธศาสนาและนักปรัชญาทั่วโลกวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างนอกจากรู ป, ปรธรรมหรือเป็นผลของรู ป, ปรธรรม เอ็ดไรนักวิทยาศาสตร์จึงมักเข้าใจว่าวิญญาณเป็นผลของชีวิตไม่ใช่เป็นผู้สร้างชีวิตสิ่งที่มีนามธรรมและวิญญาณตามมติของอาจารย์สมัครบุราวาทราชบัณฑิตในสาขาปรชาัชญาอาจารย์สมัครไม่สนใจเรื่องตายเกิดหลักทรรดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอาจารย์สมัครเห็นว่า เป็นเพียงจินตภาพไม่ใช่หลักความจริงสิ่งนิรันดรสังคตธรรมในความหมายของอาจารย์สมัครมติของอาจารย์สมัครเป็นตัวอย่างอันดียิ่งที่จะทำให้เข้าใจถึงมติของนักศึกษาปัจจุบันว่ามีอยู่อย่างไรในที่นี้คือเป็นมติที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับหลักฐานต่างๆที่แสดงว่า พุทธศาสนาถือว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างนอกจากรูปธรรมคือเรื่องท่านหกเรื่องเท้ามหานามะวิญญาณก้าวลงสู่ท้องจิตไม่เกิดโลกไม่เกิดเรื่องการระลึกชาติเรื่องทิพย a ักสุเรื่องญาณนทัศนะเรื่องภพสามซึ่งล้วนมีระบุไว้ในพระไตรปิฎกทั้งสิน้นวิญญาณไม่ใช่การสะท้อนของผัสสในสมอง พุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่มีจริงๆมีอยู่สองคือรูปธปาตุกับนามธาตุแต่ทั้งสองนี้อยู่อย่างเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวตนวิธีเรียนเรื่องนามธรรมตามหลักพุทธศาสนาจริงๆถือว่านามธรรมเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างนอกจากวัตถุ ไม่ใช่หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาสารและคาว่านามธรรมในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่หมายถึงกฎธรรมชาติอย่างที่อาจารย์สมัครเข้าใจตามหลักพุทธศาสนาถือว่ากฎธรรมชาติมีความสัมพันธ์อยู่กับวิญญาณอย่างใกล้ชิดที่สุดความหมายของคาว่าธรรมหรือธรรมะกฎธรรมชาติเป็นสังคตธรรมหรืออสังคตธรรม จะเข้าใจเรื่องของชีวิตเรื่องธรรมชาติให้แจ่มใสจริงๆก็ต่อเมื่อรู้แจ้งเรื่องนิพพานเท่านั้นบทที่6กการดับของวิญญาณ p ร a ส u d ที่มักทําให้เข้าใจว่าตายแล้ววิญญาณดับศูนย์แง่คิดที่จะทําให้เข้าใจว่าตายแล้ววิญญาณดับศูนย์ วิญญาณในความหมายของภิกษุสาติชาวพุธส่วนมากมักเข้าใจเรื่องวิญญาณเหมือนกับภิกษุสาติเป็นมิจฉาทิฐิวิญญาณในความหมายของภิกษุสาติก็คือวิญญาณในความหมายของพรามเจตพูดมีจริงหรือไม่เจตพูดก็คืออัตตาหรือวิญญาณในความหมายของพรามนั่นเองทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ก็ถือเหมือนกันว่าตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่แต่พราหมณ์ถือว่าวิญญาณที่ไปเกิดใหม่นั้นเป็นวิญญาณอันเดียวกันกับวิญญาณที่เคยมีอยู่ก่อนเหมือนคนออกจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่และถือว่าวิญญาณเป็นสิ่งเที่ยงแท้เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองส่วนพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่า แต่ก็สืบเนื่องไปจากอันเกา่าเหมือนมะม่วงลูกใหม่สืบเนื่องไปจากมะม่วงลูกที่ปลูกเหมือนเปลวไฟที่สืบเนื่องกันเหมือนความรู้ของสิทธิ์สืบไปจากครูและถือว่าวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกขณะและจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยเว้นจากปัจจัยแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ปัใจจัยในที่นี้ ก็คือปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทคือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นเพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับซึ่งเป็นปัจจัยต่อกันและกันเมื่อเปรียบการสืบต่อของวิญญาณเหมือนการสืบต่อของผลมะม่วงเหมือนเปลวไฟเหมือนความรู้จากครูมาสู่สิทธิการสืบต่อในชาตินี้พอมองเห็น แต่ที่จะสืบต่อไปถึงชาติหน้าเล่าไปได้อย่างไรมองไม่เห็นทางไปเลยในเมื่อไม่ยอมรับว่าวิญญาณที่ออกจากร่างกายที่ตายแล้วไปเข้ากายใหม่เหมือนคนออกจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่ซึ่งคำตอบโดยละเอียดมีอยู่ในบทที่7และ8วิญญาณโดยสภาพแม้จะเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นรูปใหม่อยู่ทุกขณะก็จริงแต่วิญญาณที่เกิดใหม่ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับวิญญาณอันเก่าที่ดับไปเหมือนการขยายตัวของเซลล์ทั้งนี้เพราะความเป็นอนันตระปัจจัยวิญญาณเป็นอนันตระปัจใจัยให้เกิดวิญญาณในขณะต่อมาความหมายของคําว่าอนันตระคละสําคัญในการเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิวิญญาณจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ หรือจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นนักศึกษาบางคนเข้าใจว่าตายแล้ววิญญาณดับสูญแต่กรรมเหลืออยู่กรรมเปรียบเหมือนคลื่นวิทยุกรรมนี้จะลั่นไปสู่ชีวิตใหม่และสร้างวิญญาณใหม่ขึ้นอีกในชีวิตนั้นมตินี้ถูกหรือไม่บทที่7การสืบต่อของวิญญาณ ถ้าชีวิตไม่มีวิญญาณก็ไม่มีชีวิตดับวิญญาณก็ดับชีวิตสืบต่อได้ทางการสืบพันธ์ฉะนั้นวิญญาณก็คงจะสืบมาจากพ่อแม่นั่นเองคนส่วนมากมักเข้าใจเช่นนี้แต่ทางพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณที่สร้างสารรค์ชีวิตนี้เป็นวิญญาณมาจากที่อื่นมาเข้าท้องแม่บทพิสูจน์ การสืบต่อของวิญญาณการพิสูจน์เรื่องนี้ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าต้องเข้าใจให้ชัดเจนเสียก่อนว่าวิถีจิตเกิดขึ้นอย่างไรผวังคขจิตเกิดขึ้นอย่างไรการเกิดของวิญญาณมีหลักสำคัญอยู่ที่สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นสังขารในที่นี้คือเจตนา ประสาทเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิญญาณปัจจัยสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดวิญญาณคือสังขารหรือเจตนาในที่นี้มีคำอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบลำพังอายตนาอย่างเดียวก็ให้เกิดวิญญาณไม่ได้สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนี่คือข้อเท็จจริงที่เด็ดขาดที่แสดงให้ทราบว่า วิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกายแต่คนทั่วไปอ่านข้อเท็จจริงนี้ไม่ออกกลองเมื่อถูกกระทบเมื่อไหร่ก็ดังเมื่อนั้นแต่วิญญาณไม่ใช่เช่นนี้เมื่อมีอารมณ์มากระทบกับอายตนะไม่ใช่จะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเสมอไปเพราะวิญญาณเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอำนาจในตัวเองที่จะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ สุดแล้วแต่เจตนาของวิญญาณทั้งวิถีจิตและผวังขจิตจะเกิดได้ต้องอาศัยเจตนาทั้งสิน้นเจตนาของวิถีจิตเรารู้สึกได้ส่วนเจตนาของะวังขจิตเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่เราก็รู้จักมันได้จากพฤติกรรมของร่างกายนักศึกษาที่แก่เรื่องชีววิทยามักแย้งว่า หลักที่ว่าวิญญาณจะเกิดต้องอาศัยเจตนานี้แม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ก็ไม่พอที่จะถือเอามาเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องวิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกายเขาอ้างว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาของสมองที่จะต้องเป็นเช่นนั้นต่างหากเหตุหารคนส่วนมากจึงเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ยากนักและคอยแต่จะเข้าใจว่า วิญญาณเป็นผลของร่างกายข้อเท็จจริงเพียงชิ้นเดียวนำไปสู่กฎอันยิ่งใหญ่ได้ของนิวตันการพิสูจน์หาความจริงในสิ่งต่างๆอย่าใช้ตัวอย่างที่เข้าใจเพียงผิวเผินวิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกายนี่เป็นหลักสําคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การเข้าใจว่าวิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิต วิญญาณสืบต่อไปถึงชาติหน้าได้และอื่นๆเรื่องเหล่านี้เข้าใจยากมากเพราะคอเท็จจริงต่างๆทางชีววิทยาคอยแต่จะชักจูงให้เข้าใจว่าวิญญาณเป็นผลของร่างกายแต่สมมติฐานเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องวิญญาณง่ายขึ้นซึ่งในที่นี้มีสมมติฐานทั้งหมด8กรณีความแตกต่างระหว่างสมมุติฐาน กับมติปรัชญาต่างๆสมมุติฐานเป็นเพียงร่างร้านบทพิสูน์วิญญาณเป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนอกจากร่างกายจะพิสูจน์เรื่องนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่าวิญญาณเกิดมีความหมายอย่างไรเสียก่อนวิญญาณจะเกิดต้องอาศัยเจตนาทุกขณะถ้าเจตนาไม่มีวิญญาณย่อมไม่เกิด ตัวอย่างพระพุทธเจ้าเข้าฌานเสียงฟ้าผ่าไม่ทรงได้ยินและตัวอย่างอื่นๆเรื่องอิจิปาิหารต่างๆก็เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้แต่คนส่วนมากไม่เชื่อข้อพิสูจน์เหล่านี้เพราะตัวเองตกเป็นทาสของตัณหาไม่เคยบังคับใจตัวเองให้หยุดนิ่งจริงๆได้เป็นเวลานานจึงไม่อาจรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ วิญญาณจะเกิดต้องอาศัยนามาทำอะไรบ้างนี่แหละคือข้อพิสูจน์ที่เด็กขาดที่จะทำให้รู้แน่ว่าวิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกายเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะเหตุไรจึงเข้าใจยากมากเรื่องวิญญาณกับร่างกายเป็นธรรมชาติคนละอย่างผู้ที่ไม่เคยเชื่อทฤษฎีของพุทธศาสนา ควรจะนึกถึงพุทธภาษิตบทนี้ไว้บ้างคือตถาคตเปรียบเหมือนดวงตาของโลกข้อแย้งของคนที่ไม่เชื่อว่าวิญญาณเป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนอกจากร่างกายคำตอบที่สมบูรณ์ในปัญหาเรื่องวิญญาณกับร่างกายในแง่วัตถุและในแง่านามธรรมสมมุติฐานเรื่องวิญญาณได้มาจากหลักฐานในคำพี และข้อเท็จจริงเหล่านี้คือเรื่องเซลล์ทุกเซลล์มีวิญญาณพฤติกรรมของชีวิตเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณธาตุทั้งสี่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นของเกิดแล้วดับอยู่ทุกขณะส่วนที่ดับไปนั้นก็อันตรธานไปเลยวิญญาณที่เกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณอันเก่าตายแล้ววิญญาณไปเกิดใหม่ มิสัยสันดานสืบต่อไปถึงชาติหน้าได้วิญญาณเป็นอนัตตะหลักฐานและข้อเท็จจริงเหล่านี้มีทางที่จะทำให้เข้าใจอย่างไรได้บ้างปรัชญาเรื่องวิญญาณของมหายาณสูตรไว้หลังขนาดของใจนั้นใหญ่หลวงเหมือนกับอากาศใจสิงเสริมอยู่ในสรรพสิง่งและติดเป็นผืนเดียวกันทั่วสากลจักรวาล ถ้าทําใจให้เป็นอิสระได้อย่างเด็ดขาดจะสามารถรู้สารพัสสิ่งจิตเดิมเป็นของบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในโลกออกมาจากจิตเดิมมติป่ายเทราวาทที่เหมือนกับของท่านเว้ลงังมติที่แตกต่างกับของท่านเว้ลงังสมมุติฐานเรื่องวิญญาณควรเชื่อได้เพียงไร ข้อควรระลึกสำหรับผู้ไม่เชื่อทฤษฎีของพุทธศาสนาผู้อยู่ห่างธรรมวินัยเหตุไรพระพุทธองค์จึงต้องทรงบัญญัติธรรมวินัยให้เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนจงระวังเหตุผลอาจจะหลอกตัวเองได้ง่ายที่สุดอย่าถือความหมายเฉพาะตามตัวอักษรเท่านั้นเพราะความหมายระหว่างบรรทัดคือความหมายแฝง ยังมีอีกมากหมายเหตุผู้อ่านขอยกตัวอย่างเช่นความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดไปว่าคือโรคทางกายเท่านั้นแต่ความหมายแฝงหรือความหมายที่แท้จริงหรือความหมายขั้นสูงนั้นความไม่มีโรคในที่นี้คือโรคทางใจและหมายถึงสภาวะแห่งนิพพาน ซึ่งคำว่านิพพานมีความหมายหนึ่งว่าอโรคคือไร้โรคความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นเมื่อเป็นพุทธพจน์หรือพุทธวจนะจะหมายถึงไร้โรคทางใจคือไร้กิเลสตัณหาซึ่งก็คือสภาวะของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานแล้วเท่านั้นบทที่8าติหน้า สาเหตุที่จะทำให้เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์คนที่จะเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ก็เพราะเข้าใจว่าสมองเป็นเครื่องจักรวิ ญ, ญญาณเป็นผลของสมองแต่วิญญาณไม่ใช่เป็นผลของสมองเพราะวิญญาณมีอยู่ก่อนสมองวิญญาณเป็นผู้สร้างสมองและเป็นผู้ควบคุมสมองเป็นผู้แปลความหมายในสมอง และในเรื่องการสร้างอุปนิสัยก็มีข้อพิสูจน์อยู่หลายอย่างที่แสดงว่าวิญญาณเคยผ่านการเกิดมาแล้วปัญหาสำคัญในเรื่องชาติหน้ารู้ได้อย่างไรว่าวิญญาณที่มาจากที่อื่นไม่ได้สืบต่อมาจากพ่อแม่รู้ได้อย่างไรว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณสามารถสืบต่อไปถึงชาติหน้าได้และไปในลักษณะเช่นไร การที่จะรู้ว่าวิญญาณที่สร้างชีวิตนี้มาจากที่อื่นก่อนอื่นต้องรู้ว่าวิญญาณมีลักษณะเป็นพลังงานที่สามารถจะวิ่งผ่านไปในอากาศได้และวรวมตัวกันได้วิญญาณที่รวมกันสร้างชีวิตนี้มีอยู่สองสายสายหนึ่งสืบมาจากพ่อแม่อีกสายหนึ่งมาจากจุติวิญญาณข้อพิสูจน์ที่แสดงว่า วิญญาณสืบมาจากพ่อแม่ข้อเท็จจริงที่มักทำให้เข้าใจผิดว่าตายแล้วศูนย์ถ้าเข้าใจชัดว่าระบบประสาทต่างๆและนิสัยสันดานต่างๆเกิดขึ้นและวิวัฒนาการมาอย่างไรจะไม่ทำให้หลงข้อเท็จจริงอันนั้นการเกิดและวิวัฒนาการแห่งระบบประสาทวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะคือระบบประสาทสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญในการเกิดและวิวัฒนาการของระบบประสาทวิญญาณเป็นที่ตั้งของอุปนิสัยสันดานลนักษณะของวิญญาณที่มาปฏิสนธิข้อพิสูจน์เรื่องวิญญาณแล่นผ่านไปในอากาศได้ เรื่องการสะกดจิตกระแสวิญญาณที่ผ่านไปในอากาศเหมือนคลื่นวิทยุมันจะไปเฉพาะในทิศทางที่ตั้งใจจะไปเท่านั้นเพื้อนอุปนิสัยคือข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่แสดงว่าวิญญาณเคยผ่านการเกิดมาแล้วคนไม่ใช่ดินเหนียวที่อาจปั้นให้เป็นอะไรก็ได้จะอบรมคนให้เป็นอะไร สำคัญอยู่ที่พื้นอุปนิสัยเดิมแม้พระพุทธองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะท่งสอนคนได้ทุกคนสิ่งแวดล้อมหรือการอบรมจะไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนสันดานถ้าเข้ากันไม่ได้กับสันดานเดิมทุกคนมีอุปนิสัยเป็นของตัวเองโดยเฉพาะอุปนิสัยที่เกิดขึ้นจากการอบรมทุกอย่างมีมาจากรากฐานเดิมโลหิต น้ำที่ขับจัดต่อมสภาพของร่างกายมีส่วนสําคัญในการสร้างอุปนิสัยแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาด้วยการสร้างสารรค์ของวิญญาณลายมือคือข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่แสดงว่าวิญญาณเคยผ่านการเกิดมาแล้วลายมือคืออุปัทายรูปอันหนึ่งอุปัทายรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยฉะนั้น ลายมือจึงบอกให้ทราบถึงอุปนิสัยและโชคชะตาในอนาคตได้พระพุทธเจ้าทรงมีลายมือเป็นกงจักเวลาเห็นการอบรมคือข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่แสดงว่าวิญญาณเคยผ่านการเกิดมาแล้วจงสังเกตเพื่อนอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิดแต่ละอย่างกว่าจะฟังแน่นในสันดานได้ต้องใช้เวลานาน ข้อพิสูจน์ของสามัญชนที่จะทำให้รู้เรื่องชาติหน้าข้อเท็จจริงของพระอริยเจ้าที่ทำให้ท่านรู้แน่ว่าชาติหน้ามีจริงพระอระหันตุกองค์ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าปราโลกคือโลกหน้ามีอยู่การละกิเลสจะต้องอาศัยรากฐานอะไรบ้างเพราะเหตุที่พระอระหันต์รู้เรื่องนี้แจ่มแจ้งมาก ฉะนั้นท่านจึงรู้อยู่แก่ใจว่าปรโลกมีอยู่ทฤษฎีเรื่องการระลึกชาติพระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้ด้วยอํานาจสมาธิก่อนตรัสรู้เหตุไรคนส่วนมากจึงไม่เคยเชื่อเรื่องการระลึกชาติทางที่จะทําให้เชื่อเรื่องการระลึกชาติบทวินิจฉัย เรื่องวิญญาณไปปฏิสนธิได้อย่างไรหลักฐานที่แสดงว่าวิญญาณเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วสากลจักรวาลการไปของวิญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้ดีมากวิญญาณย่อมรู้จักที่ที่เหมาะแก่ตัวมันเองถ้าต้องการจะได้ลูกที่ดี จะมีวิธีการอย่างไรการไปของวิญญาณควรจะเปรียบเหมือนแสงที่พุ่งไปหรือควรเปรียบเหมือนการไปของคลื่นวิทยุวิญญาณที่ไปปฏิสนธิพระพุทธองค์ทรงเปรียบเหมือนกับแสงของดวงอาทิตย์ที่มาสู่โลกนี้แต่พระหน้าเกษรเปรียบเหมือนเสียงจะเข้าใจเรื่องชาติหน้าต้องเข้าใจเรื่องนิพพานด้วย บทที่9มิจฉาทิฏฐิการที่จะเข้าใจมติในพุทธศาสนาให้ชัดเจนจริงๆจําเป็นต้องรู้ว่ามาติอะไรบ้างที่ทางพุทธศาสนาถือเป็นมิจฉาทิฏฐิมติถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือนัตติกาทิฏฐิอกิริยาทิฏฐิอเหตุกาทิฏฐิทิฏฐิ62ออันตากาหิกาทิฏฐิ สัพพะอติกาทิฏฐิผู้ที่มีมติว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วศูญบุญบาปไม่มีคุณของพ่อแม่ไม่มีเทวดาไม่มีอุบรรลุกมากผลไม่มีคือผู้ที่เป็นนติกาทิฏฐิได้ชื่อว่าเป็นปฏิปักษต่อพระอระหันต์และคนส่วนมากทุกวันนี้เป็นนติกาทิฏฐิลทัทธิการเมืองบางอย่าง ตั้งอยู่บนฐานแห่งทิฏฐิอันนี้ผู้ที่มีมติว่าทําอะไรถ้าได้เงินได้ชื่อเสียงได้ความสุขเป็นดีไม่ว่าการกระทํานั้นจะผิดศีลธรรมอย่างไรก็ตามคือผู้ที่เป็นอกิริยะทิฏฐิผู้ที่ถือโชคลางถือโหราศาสตร์ไทยไม่ถือกฎแห่งกรรมก็คือผู้ที่เป็น าเหตุกาทิฐิทิฏฐิ62ิคือระบบปรัชญาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกซึ่งทางพุทธศาสนาถือว่าไม่สมบูรณ์เช่นทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นนักปรชัชญาหรือศาสดาต่างๆมักตกอยู่ในขายของทิฐิ62ทั้งสิน้น อันตกาหิกาทิฏฐิปัญหาที่ไม่ควรคิดคือโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันตถาคตตายแล้วจะเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกปัญหาเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามก็เพราะไม่เป็นทางหลุดพ้นและจะทำให้ต้องวนเวียนอยู่ในโดงแห่งมิชาทิฐิ พระสูตที่แสดงว่าพระอระหันต์ตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์อุทุชนย่อมเข้าใจภาวะของพระอระหันต์ไม่ได้ปัญหาสุดโต่งของพวกนักอภิปรัชญาลักษณะแห่งปัญญาที่พระพุทธองค์ต้องการให้เรามีบทวินิจฉัยสิ่งทั้งปวงมีจริงหรือไม่มีจริงสมมุติฐานเรื่องวิญญาณเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ หมายเหตุผู้อ่านมีข้อถกเถียงกันมากว่าปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนใจหรือเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรสนใจนั้นต่างอ้างว่าเพราะไม่ใช่ทางดับทุกข์จนทําให้พราหมณ์การสอนตามแนวทางของอาจารย์พรว่าเป็นสิ่งไร้สาระไม่ใช่ทางดับทุกข์หรือไม่ควรสนใจอย่างเรื่องตายแล้วเปไหนภพชาติมีจริงหรือไม่ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับ ความจริงแล้วปัญหาที่ไม่ควรถามนั้นเป็นปัญหาแบบอภิปรชัชญาซึ่งไม่มีทางตอบถูกได้และคำถามเหล่านั้นเริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นการยึดมั่นว่ามีอัตตาที่หมายถึงอัตมันคือความเชื่อว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ยั่งยืนตายแล้วจะไปไหนจะเกิดอีกหรือไม่จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดซึ่งไม่ว่าจะตอบทางไหนก็ไม่สามารถตอบให้ตรงได้ และจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องอนัตตาได้จึงเป็นปัญหาที่ไม่ทรงตอบหรือคำถามที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์หรือไม่ซึ่งถ้าเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงก็จะรู้นะครับว่าไม่สามารถตอบได้ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์เพราะถ้าตอบตามเป็นจริงตามหลักปรัตญาแล้วเมื่อไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืน ซึ่งเดิมก็ถือว่าเป็นอนัตตาอยู่แล้วดังนั้นการจะตอบว่าอนัตตานั้นสูญหรือไม่ศูญหรือตายแล้วจะไปไหนจึงไม่สามารถตอบได้ตรงตามสภาวะธรรมอย่างแท้จริงแต่ให้สังเกตว่าเมื่อเจอชาวบ้านหรือบุคคลที่เหมาะสมในการจะตอบเรื่องหลังความตายว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นอะไรพระพุทธองค์ก็ทรงตอบไว้หลายแห่งและในบางโอกาสนั้น การตรัสตอบของพระองค์ว่าบุคคลที่ถามนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรหรือตายแล้วไปไหนก็ส่งให้ผู้ฟังเกิดความสลดสังเวชในธรรมเบื่อหน่ายในสังสารวัตรปฏิบัติธรรมจริงจังจนบรรลุปเป็นพระอรหันต์ด้วยคําตอบว่าตายแล้วไปไหนของพระองค์เช่นกันดังนั้นการจะอ้างว่าสิ่งไหนควรไม่ควรศึกษาหรือจนกระทั่งอ้างพุทธพจน์ก็ควรทําความเข้าใจให้ตรงด้วยนะครับ พุทธวิทยาเล่มหนึ่งพุทธประชยาฉบับพิสดารบทที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาทข้อธรรมใดเล่าที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาไครครวนมากที่สุดตลอดเวลาที่ทรงสแสวงหาโพธิญาณข้อธรรมใดเล่าที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาไครครวนตลอดยามที่สามในคืนวันตรัสรู้ ข้อธรรมใดเล่าที่ทำให้พระพุทธองค์สาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อธรรมใดเล่าที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาใครครวนเป็นเวลาถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนก่อนแต่จะทรงตัดสินพระไทยสั่งสอนเวเ น, นยสัตย์โดยวิธีไหนและอย่างไรข้อธรรมใดเล่าเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงแปลงอุทานออกมาว่า เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏชัดแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเมื่อนั้นพรามย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุดพระอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดทำอากาศให้สว่างข้อธรรมนั้นก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท จากหลักฐานในทางพุทธประวัติดังที่กล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเราได้ศึกษาเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวให้เข้าใจจำแจ้งจรงิจร ง, รงก็เท่ากับเราได้ศึกษาถึงแก่นของพุทธศาสตร์ทั้งหมดปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องอะไรมีความสำคัญยิ่งใหญ่แค่ไหนโปรดศึกษาได้ดังต่อไปนี้ปฏิจจสมุปบาท คือปรัชญาวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาที่อธิบายให้รู้ว่าชีวิตเกิดขึ้นมาอย่างไรอำนาจอะไรเป็นผู้สร้างสารรค์ชีวิตพระผู้เป็นเจ้ามีจริงหรือไม่กฎเกณฑ์ของชีวิตมีอยู่อย่างไรวิวัฒนาการอย่างไรและจะไปสิ้นสุดลงณที่ไหนชาติหน้านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไร จะแก้ไขด้วยวิธีไหนจึงจะได้ผลอย่างแท้จริงความยุ่งยากของสังคมหรือของโลกมีมูลฐานมาจากอะไรวิธีแก้ไขอย่างที่นักการเมืองหรือนักปกครองกระทํากันอยู่ทุกวันนี้จะได้ผลจริงเพียงแค่ไหนปัญหาต่างๆเหล่านี้เราสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองถ้าได้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจเป็นอย่างดี โรดสังเกตว่าเรื่องนี้เป็นปรชัชญาคือเป็นหลักวิชาที่แน่นอนเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวไม่แปรผันไปตามการเวลาเป็นหลักธรรมดาที่ดำรงคงอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงค้นพบและทรงเข้าใจเหมือนกันทุกพระองค์แม้ว่าจะทรงอุบัติต่างยุคต่างสมัยกันก็ตามเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นปรชัชญา ปรัชญาเป็นคำสันสกฤตศาสตราจารย์สวามีสัตยา น, นันทามุนีได้อธิบายไว้ว่าคำนี้มาจากคำว่าประแปลว่าประเสริฐและชยาแปลว่าความรู้ฉะนั้นคำว่าป ร, ราัชญาตามรูปศัพท์จึงแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐส่วนในประธานุกรมของกระทรวงศึกษาธิการแปลว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงคำนี้ตรงกับคำบาลีว่าอริยศัสตร์หรือปรมัตถธรรมและที่กล่าวว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เพราะเป็นหลักวิชาที่สามารถพิสูจน์ได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้มาจากการตรัสรู้ไม่ใช่ได้มาจากรับเชื่อจากศาสดาคนใดคนหนึ่ง เพราะทุกหัวข้อที่พระองค์ตรัสไว้นั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์อย่างแจ่มแจ้งในใจของพระองค์ด้วยการพิสูจน์มาแล้วทั้งสิน้นและวิธีที่พระองค์ส่งสอนเรื่องนี้แก่คนอื่นก็ทรงอ้างถึงข้อเท็จจริงที่คนนั้นๆอาจเห็นได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงพูดไว้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักปรัชญาสั้น มีหัวข้อเพียงส2องหัวข้อเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็สามารถใช้เป็นหลักอธิบายถึงหลักธรรมในพุทธศาสนาได้ทั้งหมดเพราะเรื่องอริยสัจสี่อันเป็นปฐมเทศนาก็ดีเรื่องอื่นๆที่ทรงแสดงในภายหลังก็ดีทั้งหมดล้วนแต่เป็นเรื่องที่แยกขยายไปจากเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสิน้นใช่แต่เท่านั้นเรื่องนี้ยังใช้เป็นหลักอธิบาย ถึงโลกแห่งวัตถุที่ไร้ชีวิตได้อีกเพราะความเป็นไปแห่งโลกของสิ่งที่มีชีวิตก็ดีความเป็นไปแห่งโลกวัตถุอันไร้ชีวิตก็ดีได้อยู่ในกฎอันนี้ทั้งสิน้นและเป็นกฎที่ใช้ได้ถึงโลกอื่นด้วยด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์ดิสเดวิสผู้เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิดกชาวอังกฤษ จึงได้แปลคำนี้ไว้ในหนังสือพระทานุกรมบาลีอังกฤษของท่านไว้คำหนึ่งว่า cosmic law ซึ่งแปลว่ากฎแห่งสากลจักรวาลคำว่าปฏิจจสมุปบาท ต, ตามรากศัพท์ภาษาบาลีแปลว่าการบังเกิดที่อาศัยซึ่งกันและกัน dependent origination หมายความว่าการบังเกิดของชีวิต หรือสิ่งต่างๆในโลกโดยลำพังตัวมันเองล้วนเกิดขึ้นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมากมายและปัจจัยต่างๆเหล่านั้นต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันหมุนเวียนเป็นวัตตตัวตนแท้ของสิ่งใดๆไม่มีหรือสิ่งที่ทรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นเป็นปัจจัยก็ไม่มี ส่วนตามนัยยะวิสุทธิมรรคท่านแปลว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่งกันและกันความหมายเหล่านี้จะทราบได้อย่างชัดเจนในเมื่อได้ศึกษาถึงหัวข้อเหล่านี้โดยละเอียดอันหนึ่งควรจะทราบไว้ด้วยว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นคำดั้งเดิมที่พระพุทธองค์ทรงใช้มาตั้งแต่แรก มีแพร่หลายในพระสูตรและมีเฉพาะแต่ในพระสูตรเท่านั้นส่วนในคำพีอภิธรรมซึ่งนักปราชญ์บางคนถือว่าเป็นคำพีที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่ใช่พุทธพจน์โดยตรงนั้นใช้คำว่าปัจจัยาการแทนคำว่าปฏิจจสมุปบาทคำว่าปัจจัยาการตามรากศัพท์ภาษาบาลีแปลว่าอาการแห่งปัจจัย ศาสตราจารย์ริสเดวิสแปลว่า the most of Causes ดและอีกคำหนึ่งแปลไว้ว่า r e l a t e d condition พฤติการซึ่งเกี่ยวเนื่องกันซึ่งในที่นี้หมายความว่าอาการหรือพฤติการแห่งปัจจัยของนามรูปนั้นได้มีอยู่อย่างนี้หัวข้อแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจาัการมีดังนี้ คือหาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและเป็นปัจจัยแก่กันไปตามลำดับคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานจนถึงพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชราโมรณนะโซกาบริเทวะ ทุกข์ธามนัสอุปายาตคือความแก่ความตายความเศร้าโศกร่ำไรราพันความทุกข์กายทุกใจความขับแค้นใจวิธีศึกษาหัวข้อเหล่านี้ให้เข้าใจไม่ใช่เริ่มศึกษาตั้งแต่เอาวิชาลงมาโดยลำดับอย่างที่เคยศึกษากันมาวิธีที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจริงๆมีอยู่อย่างไรข้าพเจ้าไดเรียงลาดับไว้เป็นบ ท, บท เราขอให้ศึกษาเรื่องนี้ไปโดยลำดับดังที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้จะเป็นอันหวังได้ว่าจะเข้าใจอย่างแน่นอนเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการค้นคว้าอย่างละเอียดและถี่ถ้วนมากฉะนั้นจึงหวังใจว่าคงจะทำความพอใจให้กับนักศึกษาได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าตอนใดยังอ่านไม่เข้าใจก็ขอให้อ่านผ่านเลยไปก่อนเมื่อไปอ่านในบทหลงัง และกลับย้อนมาอ่านอีกหลายๆเที่ยวจะเข้าใจได้เองสำหรับในบทแรกนี้ข้าพเจ้ายังไม่มีความประสงค์ที่จะอธิบายหัวข้อเหล่านี้ในบทนี้ต้องการที่จะให้นักศึกษาเข้าใจซึง้งถึงความสำคัญของเรื่องนี้สะก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้เข้าใจซึ้งว่าหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎที่แน่นอนเพียงไรพระพุทธองค์ทรงได้มาโดยวิธีไหนและสั่งสอนไว้อย่างไร พุทธพน์ดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดรภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามหลักที่ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นต้นนั้น เป็นหลักธรรมดาที่ดำรงอยู่อย่างนี้เป็นนิดไม่วิปริตแปรพันเป็นอื่นเลยตถาคตได้ตรัสรู้เรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งได้อย่างรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีรันตรัสรู้และอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็นำมาบอกนำมาสอนบัญญัติวางเป็นหลักเปิดเผยจำแนกแจกออกเป็นหัวข้อและทำให้เข้าใจง่ายขึ้นจากสังยุตตนิกายนิทานวัก ขอให้เทียบกับธรรมนิยมสูตรในอังคุตระนิกายติการนิบาศซึ่งเป็นสูตรที่กล่าวถึงเรื่องไตรลักษณ์พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์รมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นเป็นหลักธรรมดาที่ดารงคงอยู่อย่างนี้เป็นนิ ไม่วิปริตแปรผันเป็นอื่นเลยตถาคตได้ตรัสรู้เรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งได้อย่างรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครั้นตรัสรู้และอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็นำมาบอกนำมาสอนบัญญัติวางเป็นหลักเปิดเผยจำแนกแจกออกเป็นหัวข้อและทําให้เข้าใจง่ายขึ้นมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อ ย, อยว่าอะไรเป็นหลักที่แท้จริง ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเลยหลักวิทยาศาสตร์บางอย่างที่รับรองกันแล้วว่าถูกต้องบริบูรณ์แต่นานานานไปกลับปรากฏว่าไม่ถูกเช่นครั้งหนึ่งเคยเข้าใจกันว่าธาตุแท้จะแยกต่อไปอีกไม่ได้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความจริงในทาง ส, สารและคุณสมบัติของ ส, สารนั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความจริงซึ่งจะเปลี่ยนแปลง หรือล้มละลายหายสูนย์ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ในวงการของนักวิทยาศาสตร์ไม่ถือเช่นนี้แล้วเพราะปรากฏความจริงจากเรื่องระเบิดปารมานูว่าสาสารต่างๆเป็นเพียงพลังงานไฟฟ้ามาเกาะและควบกันแน่นในแบบต่างๆก็เท่านั้นธาตุต่างๆอาจจะสลายตัวแล้วรวมกันเป็นธาตุใหม่มีคุณสมบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ได้ ปรากฏการของสิ่งต่างๆมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมดเมื่อสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามดังนั้นจึงหาความแท้จริงอันสิ้นสุดในสสารต่างๆไม่ได้เลยจากหลักพุทธภาษิตสองตอนโดยเฉพาะตอนที่สองว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เราพิจารณาบทนี้บทเดียวให้เข้าใจชัดเจนเราก็จะเข้าใจคํ า, าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้นนั้นเป็นหลักธรรมที่แน่นอนเพียงไรขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดมาจากปัจจัยหลายอย่างมารวมกันหรือเรียกง่ายๆว่าของผสมหรือคอมเพลติง่งสังขารหรือของผสมนั้น มีที่ไหนบ้างที่เป็นของเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงเลยาธาตุแท้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นาธาตุอื่นหรือสลายตัวเป็นพลังงานก็ได้ไม่ว่าจะในการไห น, ไหนสังขารจะต้องไม่เที่ยงเสมอนี่เป็นความจริงแท้ที่ไม่วิปริตแปรผันเป็นอื่นเลยเป็นความจริงที่สิ้นสุดลงแล้วเป็นความจริงที่คงอยู่ชั่วนิรันดรเราเรียกได้ว่า ความหมายอันนี้เป็นสัจธรรมข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็เช่นเดียวกันคำว่าเป็นทุกข์ความหมายว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในเมื่อมีสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นเช่นความมืดพอแสงสว่างมา มืดก็ต้องไปความเย็นพอร้อนมาเย็นก็ต้องหมดไปดังนี้เป็นต้นโดยออีกนยายะหนึ่งหมายความว่าสิ่งที่เป็นสังขารนั้นต้องถูกปัจจัยที่เป็นฆาสึกคอยทำลายหรือเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆอาการที่คอยถูกทำลายหรือถูกเบียดเบียนนี่หละเรียกว่าความเป็นทุกข์ของสังขารทั้งปวง คำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายแต่เพียงว่าไม่สบายเจ็บปวดได้รับความทุกข์เวทนาเท่านั้นคำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดด้วยเช่นโตเก้าอีก้อนหินก้อนกรวดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังขารเหมือนกัน และเป็นทุกข์คือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงในที่สุดด้วยเหมือนกันคำว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมในที่นี้แปล ว, ว่าสิ่งทั้งหลายคือหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมาความหมายคำบัญญัติทฤษฎีต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆ คุณสมบัติของสิ่งต่างๆหลักธรรมดากฎธรรมชาติทั้งหมดรวมเรียกว่าเป็นธรรมทั้งสิน้นฉะนั้นคำว่าธรรมในที่นี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งนักโปรดอย่าเข้าใจแต่เพียงว่าธรรมหมายถึงความยุติธรรมความเป็นธรรมหรือคุณธรรมเท่านั้นวัตถุทุกอย่างชีวิตทุกอย่างก็เรียกว่าธรรมแต่จัดเป็นรูปธรรม ความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงก็เรียกว่าธรรมแต่เป็นฝ่ายนามธรรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวของมันจริงเพราะแต่ละอย่างเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างมารวมกันขึ้น และต้องเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยของมันแก่นแท้ที่มีความคงที่ไม่แปรพันเป็นอย่างอื่นไม่มีเลยอีกนัยะหนึ่งคาว่าอนัตตาหมายความว่าไม่เป็นของใครหลักธรรมดาที่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นต้นนี้ถือว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่ง และเป็นสัจธรรมมีความคงที่แม้กระนั้นหลักเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของใครไม่มีใครบัญญัติขึ้นเหมือนกับบางคนเข้าใจว่าหลักธรรมชาติพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นหรือสร้างขึ้นไว้แปลว่าตามความเข้าใจของคนประเภทนี้ถือว่าหลักธรรมดาทุกอย่างมีเจ้าของคือพระผู้เป็นเจ้า ส่วนทางพุทธศาสนาถือว่าหลักธรรมดาทุกอย่างเป็นอนัตตาคือไม่มีเจ้าของและยิ่งกว่านั้นหลักธรรมดาทุกอย่างย่อมมีความสัมพันธ์กับหลักธรรมดาอื่นๆเช่นกฎแห่งอนิจจงมีความสัมพันธ์กับกฎแห่งทุกขังและอนัตตาถ้าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นอนัตตา สิ่งทั้งปวงก็จะเป็นอนิจจังทุกขังไม่ได้เลยเป็นอนขาตเราพูดว่ากฎทั้งหลายย่อมมาจากกฎอื่นๆดังนั้นกฎทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงได้ในเมื่อกฎนั้นๆต้องเปลี่ยนไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแต่ตราบใดที่สิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นเป็นสังขาร น, นั้นทั้งหมดต้องเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา การพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆเราจำเป็นต้องพิจารณาดูความเกี่ยวข้องของมันด้วยจะพิจารณาดูแต่โดยลำพังสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งใดที่ทรงตัวอยู่ได้ยังโดดเดี่ยวสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองที่เรียกว่าติ่ง g by i s ทเซลไม่มีเลยในวิสัยของปรากฏการณ์เพราะฉะนั้น บรรดาปรากฏการ์ทั้งปวงทั้งในฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งสิน้นแม้กระทั่งนิพพานซึ่งเรียกว่าเป็นวิสังขารคือธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่งหรือธรรมอันมิใช่สังขารก็จัดว่าเป็นอนัตตาเพราะเพียงของธรรมดาอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและพระพุทธเจ้าเกิดตรัสห้ามไว้ด้วยว่า ไม่ให้ยึดถือเอาเป็นตัวเราหรือของของเราความข้อนี้มีปรากฏอยู่ในมูลปริยายาสูตรในมัชชิมนิกายมูลปัญ น, นาตความว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นเซฆะคือพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปยังไม่บรรลุอรหัตผลภิกษุที่เป็นเซฆะยังปรารถนาความปลอดโปร่งจากกิเลส ครั้นรู้จักนิพพานโดยความเป็นนิพพานคือรู้ว่านิพพานที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าสําคัญหมายซึ่งนิพพานอย่าสําคัญหมายในนิพพานอย่าสําคัญหมายโดยนิพพานว่านิพพานเป็นของเราอย่ายินดีถือเอาว่านิพพานเป็นของเราข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวว่านิพพานนั้น เป็นสิ่งที่จะพึงกำหนดรู้ไว้เท่านั้นเถ้าเราเข้าใจความหมายเหล่านี้ดีแล้วเราก็จะเข้าใจได้โดยกระจ่างถึงคำว่าตัาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามข้อที่ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้นนั้นเป็นหลักธรรมดาที่ดารงคงอยู่อย่างนี้เป็นนิดไม่วิปริตแปรพัน์เป็นอื่นเลย จากคำเหล่านี้ย่อมหมายถึงว่าหลักธรรมดาเหล่านี้เป็นความจริงอย่างยิ่งเป็นความจริงที่ดำรงอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่เหมือนกฎวิทยาศาสตร์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัย เปียนปฏิจจสมุปบาทเพื่ออะไรในมหานิทา น, นสูตรแห่งทีฆนิกายมหาวัช ค, คำว่านิทานในภาษาบาลีแปลว่าเหตุที่มาต้นเรื่องความเป็นมาแต่เดิมไม่พึงสับสนกับคำว่านิทานในความหมายของภาษาไทยนะครับในมหานิทา น, นสูตร แห่งที่ค้านิกายมหาวัคพระองค์ตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าอา น, นุนเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้หมู่สัตว์เหล่านี้จึงได้มีความยุ่งยากเกิดขึ้นเหมือนกลุ่มได้ที่ยุ่งขอดกันเป็นปมหรือเหมือนหญ้าปล้องหรือหญ้ามุงกระต่ายที่พันกันยุ่งเหยิงฉะนั้นและจะไม่ล่วงพ้นจากอบายทุคติวินิบาตและสังสารวัฏ อบายแปลว่าโลกหรือกำเนิดที่ประสะจากความเจริญโดยปกติอบายโลกหรืออบายภูมิในอัตถกถาท่านจัดไว้เป็นสีประเภทคือหนึ่งนิระยะแปลว่าโลกที่ทรมานหาความสุขไม่ได้เลยซึ่งเรียกอยีกนัยยะหนึ่งว่าเมืองนรก 2. ติรชานายโยนิ แปลว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉาน 3. ปิติวิสัยแปลว่าแดนของเปรตหรือถิ่นของเปรตเปรตคือผูดผีปีศาจที่อดอยากต่างๆต้อ ง, ง, งคอยรับส่วนบุญจากมนุษย์ 4. อสูรากายแปลว่าพวกอสูรอสูรหมายถึงพวกยักษ์ หรือพวกเทพที่ถูกพวกพระยินขับไล่ตกจากสวรรค์นี่คือความหมายเดิมแท้ๆตามที่พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้หมายเหตุผู้อ่านซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มเติมคําอธิบายตามแนวความเชื่อของคนในยุคนั้นหรือในท้องถิ่นนั้นเข้าใจว่าเพื่อให้คนยุคนั้นเข้าใจได้ง่ายว่าหมายถึงอะไร การศึกษาอัถกถานั้นในบางจุดต้องเข้าใจจุดประสงค์ของท่านด้วยไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเข้าใจผิดหรือเกิดความงงงายได้นะครับแนะนําให้ฟังการอธิบายเรื่องพระไตรปิฎกโดยสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ปอประยุตโตซึ่งท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกในหลายแง่มุมไว้อย่างน่าสนใจเช่นพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรง และหนังสือรู้จักพระไตรปิฎกเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้เป็นตน้นความหมายของอสูรกายต่างพจนานุกรมพุทธศาสตร์ท่านให้ความหมายไว้ว่าพวกอสูรคือพบแห่งสัตว์เกิดในอาบายพวกหนึ่งเป็นพวกมักหวาดสดุง้งไร้ความเรื่องเริงกลับเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับ ปลายพูมสีที่กล่าวมานั้นเป็นความหมายเดิมแท้ๆตามที่พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้แต่ในที่บางแห่งท่านก็แบ่งมนุษย์ออกเป็นห้าจำพวกคือมนุษย์เนยรยิโกมนุษย์สัตนรกคือเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกหรือกําลังสวยความรู้สึกไม่ต่างจากสัตว์นรกมนุษย์สติรชานโนมนุษย์สเดรชาน มนุษยสเปโตมนุษย์เปรตมนุษยสามมนุษยโสมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆมนุษยสเทโวมนุษย์เทพทุกขติแปลว่าภูมิเป็นที่ไปชั่วคําว่าภูมิหมายถึงถิ่นที่จะไปเกิดหรือกำเนิดที่จะไปปฏิสนธิ ขินหรือกำเนือที่แล้วสามไม่ค่อยมีความสุขความเจริญเรียกว่าทุกขติทุกขติโดยปกติในสูตรทั่วไปแบ่งไว้เป็นสองคือหนึ่งนิรยะนรกและสองติร ช, ชา น, นโยนิกำเนิดเดรชานในบางสูตรกล่าวว่าทุกขติมีสามก็มี คือเพิ่มปฏิวิสัยแดนของเปรตไว้ด้วยคำนี้บางแห่งท่านใช้คำว่าเปตะวิสัยนะครับจากตัวอย่างนี้แสดงว่าคำว่าทุกติเป็นไวยพจน์ของคำว่าอบายนั่นเองวินิบาทสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวัชิระยานนวรโรดส่งแปลว่าโลกหรือวิสัยเป็นที่ตกแห่งสัตว์ผู้ไร้อำนาจซึ่งท่านหมายถึงพวกเปรตคำนี้ในภาษาอังกฤษแปลว่า A place of suffering สถานที่แห่งความทรมานถ้าเปรียบเทียบกับคำว่าอาวินิปาทธรรมโมซึ่งแปลว่า มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคำนี้เป็นลนักษณะของพระโสดาบันตามธรรมดาพระโสดาบันจะไม่มีทางเกิดในอบายภูมิอีกเลยเป็นอันขาดโดยในย่านนี้จะเข้าใจคำว่าวินิบาศชัดเจนยิ่งขึ้นคือวินิบาศแปลว่าตกต่ำหมายถึงเกิดในอบายภูมิอวินิปาตะแปลว่า ไม่ตกต่ำคือไม่เกิดในอบายภูมิและจากความหมายนี้จะเห็นได้อีกอย่างว่าคำว่าวินิปาตะหรือวินิบาตก็เป็นไวยพจน์ของคำว่าอบายเหมือนกันสังสารวัตแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งคำนี้ ในพระไตรปิฎกแปลไทยหลายแห่งใช้คำว่าสงสารนะครับภาษาบาลีนั้นถูกนำมาใช้ในภาษาไทยจำนวนมากแล้วให้ความหมายไปนคนละเรื่องกับความหมายที่แท้จริงของบาลีซึ่งเป็นอุปสรรคมากในการศึกษาธรรมของผู้เริ่มตน้นที่มักคุ้นชินกับความหมายที่โดนเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าท่านจะไปเปลี่ยนความหมายซะเยอะแยะทาไมเพราะเป็นปัญหาใหญ่มาก สำหรับการศึกษาธรรมโดยเฉพาะผู้มาใหม่และผู้เริ่มต้นจากข้อความในสูตรดังที่อธิบายมานี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องรู้อย่างยิ่งเพราะแต่ละคนล้วนแต่มีความยุ่งยากต่างๆเกิดเป็นประจำวันเป็นเพราะเหตุที่ไม่รู้เรื่องชีวิตตามความเป็นจริง ตามหลักของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละชีวิตซึ่งเป็นเหมือนได้จึงได้พันกันยุ่งเหยิงขอดเป็นปมเส้นได้แห่งชีวิตได้เข้าไปพัวพันอยู่กับความยุ่งยากนานาประการสางเท่าไหร่ก็ไม่หมดยุ่งอีกในยะหนึ่งถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนคนบางคนที่ไม่มีความรู้เรื่องสรีระวิทยาและอนามัยเสียเลยปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรม เราจะพบว่าคนประเภทนี้ตกเป็นเหยื่อของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้โรคง่ายๆก็รักษาไม่เป็นปล่อยให้เป็นมากจนรักษายากอันคนที่ไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันความทุกข์หรือความยุ่งยากบางอย่างไม่น่าจะให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเกิดแล้วก็แก้ไม่เป็นหรือยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งยากขึ้น ซึ่งเราจะพบบ่อยๆในชีวิตของคนทั่วไปดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งแล้วที่ควรจะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจไว้บ้างอันหนึ่งสําหรับคนที่เข้าใจเรื่องอบายภูมิการเวียนว่ายตายเกิดแล้วรู้สึกกลัวต่อภาวะเหล่านี้ก็ยิ่งเป็นการจําเป็นที่จะต้องเรียนให้เข้าใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าใครๆ เพราะการจะหนีให้พ้นจากภาวะเหล่านี้พระองค์ทรงบอกไว้แล้วว่าเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้จะไม่ล่วงพ้นซึ่งอบายทุขติวินิบาตและสังสารวัฏจากการที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องสังสารวัฏไว้ในสูตรนี้นั่นย่อมแสดงให้เห็นด้วยว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดี ก็จะเข้าใจถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยว่ามีเหตุผลหรือความจริงอย่างไรชาติหน้ามีจริงหรือไม่อะไรเป็นสาเหตุของการตายและการเกิดนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีความจริงแค่ไหน ชีวิตในสากลจักรวาลในหลักของปฏิจจสมุบบาทนี้พระองค์ได้ทรงประมวลชีวิตในสากลจักรวาลไว้ทั้งหมดและทรงแบ่งเป็นสี่ภูมิคือหนึ่งกามาวจรภูมิพวกที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดากามในที่นี้ หมายถึงกามมาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าชอบใจนะครับไม่ได้หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวกามาวจระหรือกามาวจรเรียกแบบสับไทยว่ากามาพะจรคำบาลีเมื่อเปลี่ยนเป็นไทยถ้าเป็นวอแหวนมักจะเปลี่ยนเป็นพอผ่านเช่นเทวะก็เป็นเทพกามาวจรก็เป็นกามาพะจร และเทวดานิชั้นนี้มีหกชั้นเรียกว่าเทวภูมิคือหมายถึงเทวดาที่อยู่ในกามาวจรภูมิหนึ่งกามาวจรภูมิผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดา2รูปรปาวจรภูมิพวกที่ไม่เกี่ยวในกาม และมีรูปร่างเป็นตัวตนคือพวกรูปประพรมต่างๆพรอมมีรูปสาอารูปปาวจรภูมิพวกที่ไม่มีรูปคือพวกอารูปประพรมต่างๆพวกนี้มีชีวิตเป็นนามธรรมล้วนมีแต่จิตและสี่โล ก, กุตรภูมิ พวกที่อยู่เหนือวิสัยธรรมดาของโลกคือพระอรยิยบุคคลต่างๆอีกในยะหนึ่งพระองค์ได้ประมวลกำเนิดของชีวิตในสากลจักรวาลไว้ทั้งหมดและทรงแบ่งเป็นสีประเภทคือ 1. ชลาผู้ชะพวกที่เกิดออกมาเป็นตัวเช่นคนหรือสัตว์บางประเภท 2. อันทชะพวกที่เกิดออกมาเป็นไข่และมาฟักข้างนอกเช่นไก่และนกเป็นต้น 3. ส, สังเสธชะพวกที่เกิดในที่ชื้นแฉะเช่นพวกเชื้อโรคต่างๆสโอปปาติกะพวกที่เกิดเป็นตัวตนโดยสมบูรณ์ทันทีทันใดไม่ได้ออกมาจากคันมานดา ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเวลาตายก็ไม่มีซากเหลืออยู่พวกนี้มีกายเป็นทิพย์เช่นพวกนรกเปรตอสุรกายเทวดาและพรมหมายเหตุผู้อ่นานกำเนิดโอปปปาติกานั้นมีการตีความไปอีกแบบที่หมายถึงจิตขนาดนั้น เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นเปรตซึ่งก็เป็นการตีความแง่หนึ่งเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันแต่กลายเป็นว่าคนที่เข้าใจแนวนี้กลับไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงซึ่งถือเป็นมิจฉาทิฐิร้ายแรงสามารถศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดได้จากหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงนะครับซึ่งอาจารย์พรท่านอธิบายและยกพุทธพจน์ยกข้อความในคมภี ขึ้นมาชี้แจงแสดงให้เห็นว่าผีและเทวดานั้นมีจริงอย่างไรและเป็นชนิดที่เป็นตัวตนไม่ใช่แค่ภาวะจิตหนึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคำว่ากำเนิดแปลามาจากคำว่าโยนิซึ่งเป็นภาษาบาลีคำนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า originway of birthplace of birth, place of birth r ร m of Existence และคำว่ากำเนิดในที่นี้หมายถึงลักษณะแห่งการเกิดวิธีเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่สีประเภทดังที่กล่าวมาแล้วอีกในา ย, ย่าหนึ่งพระองค์ได้ประมวลพบเป็นที่อยู่ของสัตว์ในสากลจักรวาลทั้งหมดซึ่งเรียกว่าสัตว์ตาวาดและทรงแบ่งเป็นก้าพบหนึ่ง สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์เทวดาบางหมู่วินิปาติกะคือเปรเตบางหมู่ 2. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพผู้อยู่ในจําพวกพรมผู้เกิดในภูมิปฐมชาต 3. สัตว์เหล่าหนึ่ง มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกเทพอาภัสร์สสัตว์เหล่าหนึง่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพสุปกินหะหสัตว์เหล่าหนึง่งไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเช่นพวกเทพผู้เป็นอสัญญาสัตว์ 6. สัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นอากาศสานัญจายตนะ 7. สัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ 8. สัตว์เหล่าหนึ <piece translate> <objects> ่งผู้เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะ 9. สัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นเนวะสัญญาณาสัญญาัตนะ เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีปรากฏอยู่ในคัมภีอังคุตระนิกายนวกานิบาศและพระสาวรีบุตรก็แสดงไว้มีปรากฏอยู่ในจีคันนิกายปาติกวกักคําว่าสัตตาวาสมาจากคําว่าสัตต์แปลาว่าสัตว์และอาวาตแปลาว่าพบเป็นที่อยู่ สัตต์บวกอาวาดเท่ากับสัตตาวาดเมื่อรวมกันจึงแปลว่าพบเป็นที่อยู่ของสัตว์สัตตาวาดนี้บางทีพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณนิทติซึ่งแปลว่าภูมิเป็นที่ตั้งของวิญญาณและแบ่งเพียงเจ็ดประเภทคือเหมือนในหัวข้อของสัตตาวาดทุกอย่างเว้นแต่ในข้อที่ห้าว่าด้วยอสัญญสัต และข้อที่เก้าว่าด้วยเนวสัญญาณาสัญญายตนะไม่มีขอให้สังเกตว่าตามความหมายนี้อสัญญีศัตว์และอารูปประพรมฉันเนวสัญญาณาสัญญายตนะไม่มีวิญญาณคำว่าวิญญาณในที่นี้มีความหมายแค่ไหนจะเอาไว้วินิจฉัยในบทต่อไปที่จริงคำว่าพบในที่นี้ หมายถึงนามรูปอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหานิธานสูตรแห่งที่คานิกายมหาวักว่าอานนท์ถ้าวิญญาณจักไม่ได้ที่ตั้งอาศัยในนามรูปการบังเกิดการสมภพของทุกข์คือชาติชราโมรณะจะพึงปรากฏ ต, ต่อไปได้หรือพระอานนทุนตอบว่า มได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะอย่างนี้แหละอานนนามรูปจึงเป็นเหตุเป็นนิทานเป็นสมุทยัยเป็นปัจจัยของวิญญาณคำว่าภพในความหมายของภาษาไทยที่ได้ยินกันอยู่เสมอเรามักจะหมายถึงโลกหรือแผ่นดินที่อาศัยอยู่แต่จากตัวอย่างที่แสดงไว้นั้นคำว่าภพ มิได้หมายถึงโลกหรือจักรวาลอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายหากหมายถึงสภาพหรือแบบของชีวิตในรูปต่างๆอันบรรดามีอยู่ในสากลจักรวาลชีวิตทั้ง9ก้าประเภทนั้นเมื่อย่อลงแล้วก็มีอยู่สามประเภทคือหนึ่งกามะพบพวกที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามได้แก่พวกสัตว์มนุษย์และเทวดา รูปประพบพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องในทางกรมเลยแต่คงมีรูปร่างเป็นตัวตนมีอายตนะครบบริบูรณ์เป็นกายทิพย์ซึ่งได้แก่พวกรูปประพรมทั้งหมด 3. อรูปประพบพวกไม่มีรูปร่างเป็นตัวตนมีชีวิตเป็นนามธรรมล้วนพวกนี้ได้แก่อรูปประพรมทั้งหมด ในสัตตาว่าทั้ง9ก้านั้นข้อที่6ถึง9จัดอยู่ในอรูปภพหมายเหตุในคำพีหลายแห่งนั้นเมื่อพูดถึงเทวดาอาจรวมทั้งเทวดาในกรารมภพและหมายถึงพรมด้วยแต่เมื่อแยกเป็นภพจริงๆท่านก็จะแยกเทวดาที่อยู่ในกรารมภพซึ่งมีหชั้นหรือที่เรียกว่าเทวโลกเป็นต่างหากจากพรม ที่อยู่ในโรมมโลกนะครับสภาพของชีวิตไม่ว่าจะมีอยู่ในโลกไหนก็ตามเมื่อรวมมาทั้งหมดและแบ่งเป็นประเภทประเภทแล้วทั้งหมดก็มีเพียงก้าประเภทเท่านั้นไม่มีมากไปกว่านี้พระพุทธองค์เป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ในสภาพของชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดทรงรู้ตลอดว่ากรรมอันใดทาให้เกิดเป็นอย่างนี้ พวกเหล่านี้มีความเป็นอยู่อย่างไรมีอาหารอย่างไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีอายุยืนนานแค่ไหนพระองค์ทรงทราบโดยตลอดเพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้นามว่าโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรในคำพีจึงไม่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตเหล่านี้ เรารู้ได้จากพุทธภาษิตเพียงเท่าที่อธิบายมา น, นั้นส่วนในอัธกถามีกล่าวอธิบายต่อไปอีกแต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่สู้จะเลื่อมใสนักเพราะรู้สึกว่าบางอย่างค่อนข้างเชื่อยากเช่นในการอธิบายถึงเรื่องอสัญญีสัตว์เป็นต้นถ้าถึงตอนจำเป็นข้าพเจ้าจะหยิบยกมาอธิบายต่อไป สภาพของชีวิตเหล่านี้บางอย่างเราก็พอเข้าใจและเชื่อได้ว่าเป็นไปได้บางอย่างเราไม่อาจเข้าใจได้เลยและไม่อาจจะเชื่อได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้จากหลักฐานในคำพีต่างๆยืนยันได้แน่นอนว่าเป็นพุทธภาษิตการที่ใครจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลทางพุทธศาสนาไม่มีการบังคับให้เชื่อ แต่เราไม่ควรลืมว่าก่อนที่เราจะวินิจฉัยลงมติในเรื่องอะไรต่างๆเราควรจะคำนึงถึงมาตรฐานแห่งสติปัญญาของเราด้วยอย่าพึ่งด่วนลงมติอะไรง่ายๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักวิชาที่อธิบายถึงเรื่องราวแห่งชีวิตเหล่านี้ไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปรัชญาแห่งชีวิตยิ่งใหญ่เพียงไรสมกับทีท่านริสเดวิส เรียกว่ากฎแห่งส า, ากลจักรวาลคือคอสมิกลอวและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรื่องนี้จะมีความลึกซึ้งสุ ข, ขุมคัมภีรภาพยากแก่การเข้าใจเพียงไรแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าเรื่องนี้คนธรรมดาอย่างเราจะเข้าใจไม่ได้ความจริงเดี๋ยวนี้เรามีทางที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากเพราะอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างช่วยเหลือ ถ้าเป็นในสมัยก่อนที่คนยังไม่รู้วิทยาศาสตร์แพร่หลายเหมือนทุกวันนี้เรื่องเกือบไม่มีทางที่จะอธิบายให้คนธรรมดาสามัญเข้าใจได้เลยคนที่จะเข้าใจได้จริงๆก็เฉพาะผู้ที่สำเร็จอภิญญาหรือเป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นในพรมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรที่อธิบายถึงทิฏฐิความเห็นของบรรดาเจ้าลทัทธิต่าง ซึ่งทั้งหมดมีหกลัทธิด้วยกันพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าถึงลัทธิเหล่านี้ให้พระภิกษุทั้งหลายฟังและได้ทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุไรเจ้าลัทธิเหล่านั้นจึงไม่หลุดพ้นไปจากความเข้าใจผิดยังคงคล้องอยู่ในคายเห็นความเข้าใจผิดทั้งที่บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนประเสริฐทรงคุณธรรมและความรู้สูงสูงทั้งนั้น ซึ่งทำให้ต้องนึกว่านักปราณในปัจจุบันนี้แม้จะเชี่ยวชาญเพียงไรถ้านำไปเปรียบเทียบกับศัสดาบางคนในสูตรนี้จะเห็นได้ชัดว่าามีภูมิธรรมสูงเท่ากับศัสดาเหล่านั้นไม่ถึงกระนั้นศัสดาเหล่านั้นก็ยังมีความหลงผิดอยู่ในใจซึ่งถ้าเทียบกับพระอริยบุคคลบางคนแม้ขนาดพระโสดาบัน และทั้งที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างแต่พระอริยบุคคลเหล่านี้ตามทัศนะของพระพุทธองค์ก็ยังถือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตถูกต้องกว่าศาสดาหรือนักปราชญ์เหล่านั้นทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะพระโสดาบันเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทได้พอสมควรตามภูมิของท่านในพรหมชาลสูตรนี่เอง พระองค์ก็ได้ทรงชี้ให้เห็นว่าการที่ศาสดาเหล่านั้นซึ่งแต่ละคนจัดอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นพรมคือเป็นผู้ประเสริฐที่ยังมีความหลงผิดเหลืออยู่ก็เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทและในที่สุดพระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทธรรมเหล่านี้เป็นธรรมลึกซึง้งเห็นได้ยาก ตรัสรู้ได้ยากเป็นธรรมที่สงบราณีตไม่อยู่ในวิสัยของตักกะคือดาวเอาไม่ได้หรือใช้ตักกะวิทยาธรรมดาอย่างที่รู้ๆกันพิสูจน์ไม่ได้เป็นธรรมที่สุขขุมเป็นธรรมที่บัณฑิตจะพึงรู้ได้ตถาคตได้ตรัสรู้เรื่องนี้อย่างแจม่มแจ้งด้วยตนเองและประกาศให้โลกรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ คนทั้งหลายจะพึงกล่าวสรรเสริญเราได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจากสูตรนี้แสดงให้เห็นความสำคัญอย่างยอดเยี่ยมของปฏิจจสมุปบาทก่อนที่เราจะยึดปรัชญาอันใดอันหนึ่งว่าเป็นความจริงเราควรจะได้ศึกษาปรัชญาอันนี้ซะก่อนเพราะอันนี้เป็นปรัชญาที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นเครื่องป้องการมิให้เราแล่นไปสู่ความเห็นผิด ซึ่งศาสดาแต่ละคนแม้จะมีภูมิธรรมสูงเพียงไรรอบรู้เพียงไรเพราะเหตุที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจึงต้องติดอยู่ในขายแห่งความเข้าใจผิดเสมอไม่มากก็น้อยก็คนธรรมดาอย่างเราเรานี้ซึ่งมีภูมิธรรมและอะไรน้อยกว่าท่านเหล่านั้นจะไม่เป็นคนหลงผิดในเรื่องชีวิตมากกว่าท่านเหล่านั้นหรือข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าท่านได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วลองศึกษาปรัชญาของนักประดาชต่างๆทั้งในยุคโบราณและในปัจจุบันทั้งของตะวันตกและตะวันออกแล้วท่านจะเห็นเองว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นปรัชญาที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงไรข้อนี้ไม่จําเป็นต้องสงสัยก็ได้เพราะในโพรมาชาลสูตรและในสูตรอื่นๆอีกมากมายที่กล่าวถึงเรื่องนี้ พระองค์ได้ทรงยืนยันว่าการที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและประกาศคำสอนในถ้ำกลางบริษัททั้งหลายได้อย่างองอาจดุดพระชสีบรรลือเสียงไม่หวั่นเกรงผู้ใดว่าจะทักท้วงหรือกล่าวหาว่าพระองค์พูดผิดพูดไม่จริงก็เพราะพระองค์ได้ตรัสรู้เรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งที่สุดนั่นเอง ปฏิจจสมุปบาทเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งที่สุดแต่ก็เข้าใจได้ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งเพียงไรได้กล่าวมาบ้างแล้วในตอนแรกและจากข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มีความยากอยู่ตรงไหนในคำพีวินัยมหาวัฏภาคหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ในสัปดาห์ที่สหลังจากตรัสรู้พระองค์ประทับอยู่ที่โคนต้นไทรอันเป็นสถานที่เลี้ยงแพะณนะที่นี้พระองค์ได้เกิดความรู้สึกอย่างลึกซึ้งขึ้นมาว่าธรรมที่เราบรรลุนี้เป็นสภาพที่ลึกซึง้งเห็นได้ยากตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่สงบเป็นธรรมปราณีตเดาเอาไม่ได้เป็นธรรมสุ ข, ขุม เป็นธรรมที่บัณฑิตจะพึงรู้ได้แต่หมูสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รักในความอาลัยยินดีในความอาลัยเพลิดเพลินในความอาลัยเมื่อมีความรักความยินดีมีความเพลิดเพลินในความอาลัยก็จะเข้าใจยากถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทยิ่งเป็นเรื่องนิพพานอันเป็นที่สงบระ ง, งับดับสังขารทั้งปวงเป็นที่ถ่ายถอนซึ่งกิเลสทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปของตัณหาเป็นที่หนาราคะเป็นที่ดับสนิทของกองทุกยิ่งเข้าใจยากมากถ้าเราจะแสดงธรรมคนทั้งหลายก็จะไม่รู้ธรรมของเราแล้วเราก็จะลำบากเหนื่อยยากไปเปล่าๆครั้นแล้วข้อความอันเป็นคาถาคือคำร้อยกรองก็ผุดขึ้นในใจซึ่งคาถาเช่นนี้ ไม่เคยปรากฏขึ้นในใจของพระองค์มาก่อนเลยว่าธรรมนี้เราได้มาด้วยความเหนื่อยยากอย่าเลยที่จะประกาศในเวลานี้ธรรมนี้อันคนที่หนาแน่นดยราคักและโทสะจะเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นไปไม่ได้ธรรมที่ไปทวนกระแสเป็นธรรมที่สุขุมลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นธรรมที่ละเอียดยิ่ง คนที่ถูกย้อมอยู่ด้วยราคะถูกห่อหุ้มอยู่ในกองของความมืดย่อมเห็นไม่ได้เมื่อพระองค์เกิดความรู้สึกเช่นนี้จิตของพระองค์ก็ทรงเบนไปในทางที่จะอยู่อย่างสงบคนเดียวไม่คิดแสดงธรรมให้แก่ใครความทราบถึงเท้าสหัมบดีพรมกลัวโลกจะชิบหายจึงได้มาอาราธนาพันนาให้พระองค์ฟังถึงว่า บุคคลในโลกนี้มีสีเหล่าเปรียบเหมือนดอกบัวสีประเภทเมื่อพระองค์ได้ทรงมองเห็นเช่นนี้แล้วก็ทรงอธิฐานในใจว่าจะทรงแสดงธรรมประกาศศาสนาให้แพร่หลายหมายเหตุผู้อ่านในประเด็นนี้มีการถกเถียงกันจำนวนมากว่าจะเป็นไปอย่างนี้จริงหรือไม่เพราะพระพุทธเจ้านั้น ทรงเป็นสัพพัญยูทรงรู้ทุกอย่างจะไม่ทราบเลยหรือว่าใครสอนได้สอนไม่ได้บางท่านก็ว่าอาจเป็นเนื้อความที่แสดงถึงความยุ่งยากในการแสดงธรรมหรือเป็นเพียงแค่จิตหนึ่งที่ผุดขึ้นเท่านั้นถ้าทรงพิจารณาต่อก็จะทรงเข้าใจว่าควรทําอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้อาจเป็นไปได้ว่ายังไม่ทันทรงพิจารณาต่อเท้ามหาพรหมก็ชิงมาอารัธนาซะก่อน อีกแง่หนึง่งท่านว่าอาจเป็นธรรมเนียมตามปกติเหมือนกับว่าจะทําอะไรที่เป็นการใหญ่นั้นก็ต้องเป็นไปตามธรรมเนียมคือมีคนหรือบัณฑิตที่รู้ความเป็นผู้อาราธนาหรือเชื้อเชิญซะก่อนแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่สาระสําคัญบางอย่างเบางเรื่องนั้นถ้าสงสัยก็ข้ามไปก่อนนะครับแต่ในที่นี้อธิบายเผื่อไว้เพราะอาจทําให้คนหลายคนเข้าใจผิดว่าไหนบอกว่า องค์เป็นสัพพันย์อูรู้แจ้งทุกอย่างแต่ทําไมเรื่องแค่นี้จึงไม่ส่งทราบจะกลายเป็นปรามาสพระศาสดาอันเป็นบาปกรรมใหญ่ติดตัวไปและส่งผลเสียมากมายนะครับจากข้อความตามพระสูตรนั้นเราจะมองเห็นได้ว่าเรื่องนี้มีความยากอยู่ตรงไหนความจริงคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างจำแจ้ง ในครั้งพุทธกาลเขาไม่ได้เรียนอะไรมามากเหมือนคนทุกวันนี้เขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไม่นานเท่าไหร่ก็สามารถเข้าใจได้อย่างปรุกปโลปงแต่ขอให้สังเกตว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายนั้นต้องเป็นคนมีกิเลสเบาบางสักหน่อยถ้าหนาแน่นด้วยราคะาโทสะแล้วก็ยากที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นความยากของเรื่องนี้ จึงอยู่ที่กิเลสของเราเองแต่จะอย่างไรก็ตามอันธรรมดาของคนเรามีใช่ว่าจะมีความมืดมัวอยู่ด้วยกิเลสตลอดวันตลอดคืนคนทุกคนย่อมมีเวลามีจังหวะมีจิตใจสงบเยือกเย็นห่างไกลจากกิเลสขณะใดที่เรามีความสงบขณะนี้ย่อมเป็นโอกาสอันดีที่จะคร้ครวญถึงเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจง่าย เมื่อเกิดความเข้าใจซีครั้งหนึ่งแล้วโดยปกติจะไม่ลืมความเข้าใจอันนั้นเลยแม้ว่าจะอยู่ในความวุ่นวายของกิเลสเพียงไรก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยู่ในวิสัยที่คนธรรมดาสามัญจะศึกษาได้ถ้ามีความสนใจอย่างเพียงพออันหนึ่งบางคนที่เคยศึกษาเรื่องนี้มามากแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความเข้าใจดี อาจจะเกิดความประมาทไม่คิดค้นต่อไปเพราะเข้าใจว่าความจริงมีเพียงเท่าที่รู้นั้นซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็นับว่าเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนประมาทเรื่องอย่างนี้เคยเกิดกับพระอานนท์มาแล้วทั้งทั้งที่ท่านเป็นถึงพระโสดาบันดังมีเรื่องเล่าไว้ในมหานิทานสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ในแคว้นกุรุณ น, นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากรมมาสธรรมครั้งนั้นพระอาณนลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะที่ประทับถวายอภิวาทบังคมแล้วก็นั่งอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งเมื่อได้นั่งเรียบร้อยแล้วก็ทูลพระองค์ว่าอสัจจัรย์พระเจ้าข่ะประหลาดพระเจ้าข่าปะปฏิจจสมุป บ, บาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง มีความหมายลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เป็นเหมือนธรรมง่ายๆพระพุทธองค์ได้ทรงเตือนถึงสองครั้งว่าอย่าเด้กล่าวอย่างนี้อานน์โดยธรรมดาปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมนี้หละอานน์ หมู่สัตว์ทั้งหลายจึงได้มีความยุ่งยากเกิดขึ้นเหมือนกลุ่มได้ที่ยุ่งขอดกันเป็นปมเหมือนหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายที่พันกันยุ่งเหยิงและจะไม่ล่วงพ้นซึ่งอบายทุกขติวินิบาศและสังสารวัฏความหมายเหล่านี้ขอให้พิจารณาดูให้ดีจะเกิดความทราบซึ่งในธรรมนี้ยิ่งนัก ข้อความนิวรักท้ายเคยกล่าวถึงและอธิบายมาแล้วเป็นข้อความที่ติดต่อกันโดยลำดับดังที่แปลมานี้ความจริงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมมีความหมายลุ่มลึกไปโดยลำดับเหมือนมหาสมุทรซึ่งริมฝั่งตื้นแล้วก็ค่อยลึกออกไปทุกทีปุถุชนมีความเข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินเมื่อมีคุณธรรมสูงขึ้นก็เข้าใจลึกซึ้งขึ้น พระโสดาบันกับพระอริยบุคคลชั้นสูงสูงขึ้นไปย่อมมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่เท่ากันพระอานนท์เข้าใจว่าท่านรู้เรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วจึงได้ทูลเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงทราบดีว่าพระอานนท์มีความเข้าใจแค่ไหนจึงได้ทรงเตือนเช่นนั้นเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากมีให้เราเกิดความประมาท หรือเข้าใจตัวเองผิดไปว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วไม่ต้องคิดค้นศึกษาต่อไปอีกและน่าจะเป็นเครื่องสะ ก, กิดใจไว้บ้างว่าตัวหนังสือในคัมภีร์ย่อมไม่สามารถบรรยายความหมายไว้ได้หมดความหมายระหว่างบรรทัดซึ่งไม่มีตัวหนังสือบอกไว้อย่างชัดเจนย่อมมีมากกว่าตัวหนังสือบอกไว้ฉะนั้นเราไม่ควรจะรีบคัดค้านใคร อีเขากล่าวอะไรนอกเหนือไปจากคำภีกล่าวไว้ปฏิจจสมุปบาทจะเรียนโดยวิธีไหนจึงจะเข้าใจง่ายดังได้กล่าวมาแล้วว่าความมุ่งหมายในการเรียนเรื่องนี้ ก็เพื่อให้เข้าใจว่าชีวิตเกิดขึ้นมาอย่างไรตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ถ้าไม่เกิดไม่เกิดเพราะเหตุใดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีความจริงแค่ไหนนโรกสวรรค์มีจริงหรือไม่พระเจ้ามีจริงหรือไม่ความทุกข์ต่างๆในชีวิตประจาวันจะพึงแก้ไขอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะเอาชนะทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด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 เป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่มโนจากคาทานี้แสดงว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายการที่เราจะเรียนอะไรหรือทำอะไรก็ตามเมื่อเรียนจากรากฐานหรือวางรากฐานก่อนย่อมเข้าใจง่ายทำได้ง่าย ข้อนี้สมกับในคำพีวิสุธทธิมรตปัญญานิเทศกล่าวไว้ว่าถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณดีเรื่องอื่นนอกจากนี้ก็เป็นอันเข้าใจได้โดยง่ายคําว่าเรื่องอื่นในที่นี้หมายถึงเรื่องนามธรรมที่เป็นส่วนการประกอบของวิญญาณคือเวทนาสัญญาและสังขารในการอธิบายถึงเรื่องขันห้า ท่านอธิบายเรื่องรูปก่อนแล้วจึงมาอธิบายเรื่องวิญญาณและอธิบายเรื่องเวทนาสัญญาและสังขารแต่สำหรับในเรื่องปฏิจจสมุปบาทข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะอธิบายเรื่องวิญญาณไปพร้อมๆกับรูปจะเข้าใจง่ายเพราะรูปคือร่างกายกับเรื่องวิญญาณหรือจิตเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดที่สุดเราจะเข้าใจเรื่องวิญญาณได้ง่ายจากปรากฏการณ์ ของวิญญาณทางกายและอีกประการหนึ่งเรื่องร่างกายส่วนมากเราเข้าใจกันดีจากเรื่องชีววิทยาฉะนั้นจึงไม่จาเป็นต้องอธิบายเรื่องรูปก่อนดังที่พระพุทธโคสอ า, าจารย์เขียนไว้ในวิสุทธิมัชข้าพเจ้าขอทำความเข้าใจกับ น, นักศึกษาที่เคยเรียนเรื่องนี้มาบ้างแล้วจากหนังสือบางเล่มหรือจากอาจารย์บางคน ถ้าพบอะไรแปลกไปจากที่เคยเรียนมาก็ขอให้อ่านต่อไปจะผิดถูกอย่างไรขอให้อ่านให้ตลอดเรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นจากความชำนาญที่ค้นคว้ามาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า1ิบปีและจากความชำนาญที่เคยสอนมาแล้วหลายปีในที่นี้คือถ้าเจออะไรที่สงสัยหรือนึกค้านขึ้นมาก็ศึกษาให้จบทั้งเล่มก่อน แล้พิจารณาตามเหตุผลว่าที่ท่านอธิบายนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรซึ่งมีหลายท่านนะครับที่ฟังครั้งแรกก็คานแต่เมื่อฟังจนจบและพิจารณาให้ดีก็จะเข้าใจตามได้ไม่ยากว่าสิ่งที่อาจารย์พอรอธิบายมานั้นถูกต้องแค่ไหนอย่างไรผู้อ่านบางคนไม่ควรต้องกังวลใจว่าเหตุชไหนข้าพเจ้า จึงไม่อธิบายไปตามลำดับหัวข้อคือเริ่มอธิบายจากอาวิชชาไปก่อนเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายหรือเหมือนกับที่พระพุทธโคสาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคข้าพเจ้าได้ให้เหตุผลมาบ้างแล้วแต่ใกล้จะขอเติมอีกสักเล็กน้อยว่าการอธิบายแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างพอสมควรแล้วหัวข้อต่างๆตามที่เรียงไว้นั้น เป็นสูตรสำเร็จเหมือนสูตรคูณสําหรับคนที่รู้แล้วฉะนั้นจึงเป็นของยากมากสําหรับคนที่เริ่มเรียนด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าจึงไม่อธิบายไปตามลาดับหัวข้อและอีกประการหนึ่งเมื่อศึกษาไปตามวิธีของในหนังสือเล่มนี้ไปทุกๆบทจนเข้าใจดีแล้วในที่สุดก็จะเกิดความเข้าใจซึง้งและจาได้โดยง่ายตามสูตรนั้น ส่วนสำหรับข้อความบางตอนที่อ่านไม่เข้าใจก็ขอให้ผ่านเลยไปก่อน อ, นอ่านไปก็จะเข้าใจได้เองในที่นี้ท่านหมายถึงให้ศึกษาหนังสือพุทธวิทยาทั้งเล่มซึ่งมีอยู่หลายตอนไม่ใช่แค่เฉพาะบทนี้นะครับ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 วิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตจิรัตกาทองชันธนาเบิกบานซอผาอลสาหุตาเจริญนัฐธาลิมปิสุขกฎชรัตคันทับประโยชน์ว่าที่ร้อยตรีอริทัศตพิเศษทัศลาใสวรนนภาอนันตพันพงศรติพรวัฒนาการค้าดีภาวิยาวรศักิ์สิริกุลรวมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตทายเรื่องขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลอย่งขึ้นไปนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ